อาจารย์ครับการลมัศการครับผมเจรานพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับอันนี้แบงค์กราวไม่เหมือนเดิมนะพระอาจารย์ครับอันนี้อยู่แฝงเปิดกับอาจารย์ครับพระอาจารย์รู้เลยยังพ่นอยู่ไม่พ่นอยู่วันนี้อ๋ออาจารย์เห็นโพสต์ว่าครับอาจารย์ครับวันนี้แอบหนีมาเที่ยวกับครอบครัวครับอาจารย์ครับ ไม่ได้แอหรอกถ้าแอบคงไม่ได้ทำครับอาจารย์ครับตอนนี้ที่นั่นก็สองทุ่มพอดีครับตอนนี้ที่นี่ตอนบ่ายสามครับผมบ่ายห่างกันห้าชั่วโมงครับไปดูนิหาชั่วโมงครับก็มีเวลาพักผ่อนบ้างทำงานก็ต้องมีการผ่อนกายตามภาษาของท่านโลกถ้าเป็นพระก็ไปเปริกไม่เวกเป็นโยมก็ไป ไ ป, ไปที่เปลี่ยนแปลงบรรยากาศครับก็อันนี้ไม่ไม่เสียหายตรงไหนถ้าทำพอประมาณครับ<ฮ>ปีหนึ่งก็รารูก ป, ปิดเทิมครับอาจารย์ก็ได้มาครับถือว่าเป็นกำไรชีวิตกักนนะครับขบระคุอาจารย์ครั บ, รรบว่าชาคนไปใส่บาตรอาจารย์เยอะไหมครับห้าร้อยยี่สิบ อรอรบอันวัพระหรือเปล่าครับไม่ได้บันพระวันอทิตย์ไม่ทราบเนี้คนอาจจะไม่ได้เปนกนรดำเป็นเทอะไรก็ประมาณนี้สี่ร้อยกว่าห้าร้อยครับผมแล้วฟังธรรมตอนบ่ายหรืครับอาจารย์ครับที่หน้าพุติก็ประมาณสองร้อยครับรวมกันก็ประมาณเจ็ดอแดร้อยกว่าแปด้อยเจ็ดสิบครับผมขนาดนี้ ฟังทำอยู่ด้วยกันประมาณ800ากว่าคนเหมือนกันครับอาจารย์คครั บ, รบก็วันก่อนได้ไปฟัง<า>พระอาจารย์เทพเครื่องสักฟ อ, อกจิตใจครับพระอาจารย์ก็เลยอยากกลับขอปัญญาจากพระอาจารย์อีกรอบหนึ่งครับอาจารย์ครับกับขความเมตตาก็จิตภาวนานี่เป็นเครื่องซักฟ อ, อกจิตใจศีลนี่ไม่สามารถซักพ อ, อกให้ให้บรยสุดได้ทานก็ไม่สามารถทําได้ ตองข้าวขั้นของจิตตภาวนาซึ่งก็มีอยู่สองระดับระดับช่วช่วคราวซักพอกแบบชั่วคราวคือระดับสมาธิสมาถภาวนาแล้วระดับยั่างยืนถามวรก็คือระดับวิปัสสนาหรือปัญญาแต่การทัพพ้อจิตก็ต้องอาศัยทําเป็นขั้นเป็นตอ น, ข, นขั้นตอนยาสายการทําบุญทาทานรักษาศีล เพื่อช่วยส u p p กิเลสแบบหยาบไปก่อนกิเลสความโลภความอยากจะหาความสุขทางราบยศสนเสริญนีก็ใช้การทำทานการรักษาศีลห้าปาฏิโมกอนแล้วก็ขั้นต่อไปก็มาขยับเป็นขั้นภาวนาจิตตภาวนาสมถภาวนาคือเจริญสมาธิ ด้วยการไปปฏิบัติตามสถานที่ปฏิบัติธรรมถือศีลแปดขึ้นไปก็จะได้การซับฟอกแบบสะอาดแบบเชื่อข่าวกิเลสทั้งหมดทานกระสีนี่กำจัดแต่กิเลสแบบยากแต่แบบละเอียดนน่ที่ฝังลึกอยู่ในใจนี้ต้องอาศัยการภาวนาการเข้าสมาธิจิตวจิตสงบในสมาธิ กิเลสทั้งหมดหยุดทํางานมันตัดไฟที่เมนไม่ให้ไฟเข้าบ้านเพอตัดไฟเขไม่ไม่มีไฟเข้าบ้านเครื่องใช้ไม่สายในบ้านทั้งหมดทํางานไม่ได้เครื่องปรับอากาศเครื่องอะไรทํางานไม่ได้หมดสมาธิกับแบบเป็นเหมือนกับเป็นการปิดสวิตช์ไฟชั่วคราวทําให้กิเลสตัณหาไม่สามารถทํางานได้ในขณะที่อยู่ใน ในสมาธิเพอจิตไม่สงบไม่มีความคิดปรุงแต่งเมื่อไม่มีความคิดปรุงแต่งกิเลสก็ไม่สามารถทํางานได้กิเลนะสอาสัยความคิดปรุงแต่งพอออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดปรุงแต่งเริ่มสัมผัสเรับมรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็เกิดความอยากขึ้นมาทันีอยากได้บางอย่างาไม่ได้บ้างภาวะตันหาบ้ากวิภาวะตันหาบมาก ถ้าอยากจะกําจัดปัญหาเหล่านี้แบบถาวนสมาธิก็ไม่สามารถกําจัดได้สมาธิเพียงแต่กดเอาไว้หยุดความคิดพอหยุดความคิดกิเลส ก, ก็ทํางานไม่ได้แต่พอออกมาออกจากสมาธิมาพอคิดปับ๊บกิเลส ก, ก็ออกมาทํางานต่อถ้าอยากจะกําจัดกิเลนในขณะที่ยังมีความคิดอยู่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่า สิ่งที่ความอยากต้องการนั้นนเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาอยากได้ราภยศเสรเสนอยากได้ความสุขจากการไปเที่ยวอย่างเงี้ยมันเป็นความสุขแบบชั่วคราวนานเดียวมันก็หมดไปพอหมดมันก็กลับมาเหมือนที่จุดเดิมเหมืนตอนก่อนที่เราไปเที่ยวการไปเที่ยวเราก็เบื่อพอเราได้ไปเที่ยวมันก็พเพลิดเพลิน ม, มีความสุขเดี๋ยวพอเรากลับมามันก็กลับมาที่จุดเดิม เดี๋ยก็เจอความเบื่อเดี๋ยวก็ต้องออกไปเที่ยวใหม่มันก็วนอยู่อย่างนี้ไปแล้วถ้าเกิดไม่สามารถไปได้นี้มันก็จะเครียดขึ้นมาจะเกิดอาการซึมเศร้าที่ไม่สามารถไประบายความอยากระบายความเบื่อด้วยการไปหารูปเสียงกินรสต่างๆมาเสพได้นี่คือต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่าการทําตามความอยากของกิเลสนีน่ไม่ได้นําไปสู่ความสุขที่ แคจรงางวเป็นความสุขแบบชัวคราวอานิจจ์อนัตตาไม่สามารถรักษาให้มันสุขไปตลอดได้เช่นกรรมมาจากการไปเที่ยวอย่าให้มันบรรยากาศนั้นเหมือนตอนที่เราไปเที่ยวมันหมดไปลนะไม่สามารถที่จะรักษามันได้มันเป็นอนิจจ์เป็นอนัตตาถ้าอยากให้มันให้ความสุขเราตลอดมันก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไม่สามารถมีได้ ถ้าสอนปัญญาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจที่ความอยากต้องการมาให้ความสุขกับเรานี่มันเป็นความสุขแบบชั่วคราวอันนี้จังไม่ยั่งยืนถาวรอนัตตาเราไม่สามารถสั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดวันวันใดนหนึ่งมันก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงพอสิ้นสุดลงความเศร้าก็จะเข้ามาแทนที่ ถ้าไม่อยากจะเศราบก็อยากไปเพึ่งพาอาศัยความสุขแบบนี้ตัดความอยากไปหเห็นโทษของความอยากเห็นโทษของสิ่งที่เราอยากได้ถ้าเรามีสมาธิมีจิตที่เป็นอเบคาเราก็จะหยุดความอยากได้โดยไม่รู้สึกรู้สึกทุกข์ใจแต่อย่างไดแถ้าเราไม่มีโอเบคาไม่มีสมาธิเวลาเกิดความอยากนี้ใจมันจะดิ้น ถาราไม่ทําตามความอยากมันจะทําให้เราทุกข์มากจนเราทนไม่ไหวแต่ถ้าเรามีสมาธิมีสติมีอุเบกขาแล้วพอเราพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่าการทําตามความอยากนี่นํามาสู่ความทุกข์ในในบ้านปลายเบื้องต้นได้ความสุขอยากได้อะไรพอได้มาก็ดีใจ ถ้ ว, วันหนึ่งสิ่งที่เราได้มาจากเราไปในนั้นก็จะเป็นเวลาที่เราต้องเสียใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันการพลาดจากกันเป็นธรรมดาเมื่อถึวันนั้นเราจะเศร้าใจเพราะเรายึดติดกับสิ่งเหล่านัน้นบุคคลเรานัน้นให้ความสุขกับเราพอเขาไม่อยู่แล้วกับเราแล้วเราก็เศร้าใจเสียใจ ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเราก็สบายเขาจะอยู่เขาจะไปเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราสามารถอยู่ได้โดยที่เอาชนะความอยากพอเราหยุดความอยากได้ใจก็กลับมาสงบเหมือนเข้าสมาธิไปโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิใจก็เล่งสงบเหมือนกับอยู่ในสมาธิไม่อุบัติขาวางเฉยไม่เดือดร้อนนี่แหละคือการสั่ การทรัพพากรแบบานะต้องขั้นในปรัสนาขั้นปัญญาแต่ก็ต้องอาศัยขั้นสมถะเป็นผู้สนับสนุนแล้วสมถะและวิปรัสนาก็ต้ออาศัยการจเจริญเดชขมมะการปฏิบัติเดชขมมะเพือรักษาศิ่งแปลกละเว้นการหาความสุขความตาหูจมูกลิ้นกายพูดีและเอาเวลาของการในเสพสุขนี้มาให้กับการเจริญสติเื่องสมาธิ นี่ก็คือเรากาทำสายทานเป็นเครื่องสนับสนุนให้จิตอสามารถรักษาศีลได้เพราะคนที่ทําบุญทําทานก็จะเป็นคนที่ไม่อยากจะเบียดเบียนใครไม่ชอบเบีออยดเบียนใครก็จะรักษาศีลได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ทําบุญทําทานก็เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติซับฟอกจิตใจตั้งแต่ขั้นแรกคือทานศีลแล้วก็ภาวนา ้สุดทายอาจารย์ครับแล้วการภาวนาที่แบบไปไปทําทางปัญญาไปเลยได้ไหมครับไม่ได้แต่มันไม่ได้ผลนะเราพิจารณาได้ตายรักตอนนี้เราก็เนี่ยตอนนี้เราว่ญญาคุยปัญญาโน้นสุดตามระยะปัญญาตอนนี้เราเปราได้เรียนตายรักเราได้เรียนยระยะสัตย์สีไรู้ว่าความอยากเป็นเหตุที่ทําให้ใจเราทุกข์ ในการตอบสนองความอยากไม่ได้นําไปสู่ความสุขนําไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากมันเป็นอันนี้จังทุกขกังวน่าตาแต่ห้ามห้ามใจไม่ได้ไม่มีกําลังพออยากจะดื่มหรือเล่า อ, อนี้มันใจมันสั่นขึ้นมาทันทีพออย่างเช่นดื่มูบุหรี่มันใจมันสั่นขึ้นมาทนทีคนที่ชอบดื่มกาแฟพอถึงเวลาจะดื่มกาแฟใจก็สั่นขึ้นมาทัทีถ้าไม่ได้ดื่มของพวกนี้มัน มันพูดง่ายแต่ทํายากครับถ้าไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธินี่สบายเบือเลยถ้ารู้จักทําใจให้นิ่งเฉยพอใจสั่นปั๊บก็ใช้สติหยุดมันได้เลยถึงที่เราถ่ายก็คือสมาธิตอนนี้เรามีปัญญากันเยอะแต่ปัญญายังไม่อยู่ในขั้นภาวนาเมย์ปัญญาเป็นสุตตะเมย์ปัญญาหรือจินตามัยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังหรือปัญญาที่เกิดจากการวิเคราะห์พิจารณาแต่ไม่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนจึงไม่เป็นภาวนามย์ปัญญาแต่ถ้าไปฝึกสมาธิเนี่ทําจิตให้รวมเป็นอุเบกขาได้ปัญญาที่เราอยู่นี้สามารถพาให้เราไปสู่การดับความทุกข์ต่างๆได้หมดเลยถ้าสังเกตเวลาที่มีความทุกข์เข้ามาสอาจารย์ อ่าบางทีสอปัญญามันเกิดขึ้นความทุกข์มันก็เบาลงไปใช่ถ้ามันอยู่ในระดับที่เราสามารถระงับความอยากได้มันก็เบาลงแต่ถ้าเราเระงับความอยากไม่ได้มันก็จะไม่เบาก็ขึ้นอยู่กับความทุกข์ว่ามันมีแรงมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราสูญเสียหรือสิ่งที่เราอยากได้มันมีกำลังมากขนาดไหนแต่เพียงแต่พิจารณามันก็ช่วยได้แต่มันอาจจะ ย, ยังไม่ถึงกับ หายร้อยเปอร์เซ็นต์นยแต่มันก็ช่วยบรรเทาได้กลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนๆบ้างนะครั บ, <c oughs> บคุณแว่นครับพระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาและเหล่าเทวดาบนสวรรค์ได้แต่ทําไมเสด็จไปโปรดองคาแะดาบทึ่งไปเกิดเป็นอรูปภพมไม่ได้ครับเพราะว่าอยู่สวรรค์ที่ไม่สามารถติดต่อกันได้เหมือนคนที่เขาเปิดมือถือนี่ ติดมื่อถือเราก็ไมา่สามารถที่จะโทรเรียกเขาได้แต่สวรรค์ชั้นเทพเนี่ยที่พุทธมารดาอยู่เนี่ยเป็นสวรรค์ที่เทพก็ยังเปิดเปิดรับติดต่อกับจิตต่างๆได้อยู่พอพวกที่เข้าสมาธินี่เขาไม่รับไ ม, ไม่ไม่ติดต่อใครและ้พะพอเข้าไปในสมาธททิเข้าไปในรูปฌปานในรูปฌานนี้จิตไม่รับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ถ้าทําบุญําทานจิตมีความสงบใจ สมบพในระดับของเทพเนี่ยยังสามารถติดต่อกันได้อยู่อาจารย์ครับการนอนหลับยากนี่มันเกิดจากอะไรครับก็สาเหตุหลักก็คือการเครียด่คิดมากนอนไม่หลับมันจะเกิดจากความคิดมากแล้วก็สาเหตุอื่นอาจจะเป็นทางร่างกายเช่นดื่มเครื่องดื่มที่กระตุ้นประสาทดื่มกาแฟก่อนนอนอย่างนี้ อะไรทำนองนี้ดื่มเครื่องดื่มกระตุน้นเช่นเช่นพวกอาะไรที่เครื่องดื่มชูกําลังทั้งหลายเนี่ยถ้าไปดึกก่อนนอนก็หนาไม่หลับได้น่าจะมีโรคภัยแค้เจ็บบางโรคซึ่งคุณหมอคงจะรู้ดีกว่าเราเป็นเหตุที่ทําให้นอนไม่หลับบางทีไม่สบายก็นอนไม่หลับก็มีใช่ไหมถ้าเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้มากๆก็นอนไม่หลับได้มันก็มีหลายสาเหตุแต่ ถ้าทางจิตใจนี้ก็อยู่ที่ความเครียดไม่มีสติฟุ้งซ่านมันก็เลยคิดได้ทั้งคืนนั่งคิดถึงเรื่องนั้นต่อเรื่อ ง, องนี้คิดไปเรื่อยคุณดำครับปฏิจจสมุมปบาทกับอริยสัจสี่อะไรสงคัญหรือควรเรียนรู้มากกว่ากันครับมันเป็นของที่มันเกี่ยวข้องกันเนะ่แต่ ปฏิจจะสมมุติบานี้ไม่ต้องรู้เลยก็ได้เวลาปฏิบัติเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับการเป็นการโฟลชาร์ดเขียนโฟลชาร์ดเหมาการเรียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมมินะ่งไหมต้องมีโฟลชาร์ดตั้งแต่สตาร์แล้วก็ไปที่จุดจบมันเป็นยังไงอันนี้เป็นโฟลชาร์ดของการทํา ง, งานของอวิชาของกิเลสพอกิเลสอาวิชาเข้า ง, งามจิตใ จ, จมันก็สั่งให้จิตใ จ, จไปหามู่เสียงกลิ่นรสผ่านทางวิญญาณ พอจิตให้ไม่ต้องส่งวิญญาณไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อรับรูปเสียงกลิ่นนัเข้ามาพอได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นนั้นก็เกิดเวทนาพอเกิดเวทนาก็เกิดความอยากอยากอยา ก, อยากได้หรืออยากไม่ได้ได้ยินเสียงชอบก็อยากได้ได้ยินเสียงที่ไม่ชอบก็ไม่อยากได้พอเกิดความอยากมันก็เกิดอุปทานถ้าเกิดเกิดอุปทานความเวดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราชอบ พอเราสูญเสียไปแล้วก็หาใหม่ก็เป็นพบใหม่เราเน่าง่ายตายไปแต่เรายังชอบของผู้นี้อยู่เราก็ไปหาใหม่โดยการจะเกิดใหม่เกิดแก่เจ็บตายใหม่อันนี้มันเป็นเพียงแต่สำหรับการเล่าของพระเจ้าให้พวกเราฟังว่าเนี่ยนี่คือเส้นทางเดินของกิเลสมันเป็นอย่างนี้แต่เวลาปฏิบัติเราไม่สนใจกับเรื่องราวอันนี้ไม่ใช่เร า, าคอยจับตอนนี้อยู่ตรงจุดไหนแล้วอยู่ตั้ง วิญญาณด้วยอยู่ตรงมันไม่ทันหรอมันอันนี้ที่พูดนี่มันเพียแค่วินาทีนึงมันเสร็จแล้วมันเหมือนมันเหมือนโปรแกรมของคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาเขียนมันยาวเหยียดแต่เวลามันทํางานจริงๆเแค่ไม่กี่วินาทีไม่ไม่กี่เสี้ยววินาทีมันก็มันก็เสร็จแล้วจากวิชาไปสู่อุปทานไปสู่พบไปสู่กิดอากเจ็บตานี่มันแค่ช่วเสี้ยววินาทีเดียวนี่ เน้นตัวที่เราต้องสำคัญในปฏิจจสมุปบาทก็คือตัวตัวตนหานี่อันตันหานี่อยู่ในระยะสัตว์สี่ไอ้ตัวนี้ที่พาให้เรามาเกิดแก่ติดตากันอยู่เรื่อยๆ เ, เราต้องหยุดตัวตันหานี้ได้ด้วยไตนักด้วยปัญญาด้วยสมาธิด้วยภาวนาเมตตปัญญาในทางปฏิบัตินี่ครูบาอาจารย์ไม่สก็ไม่เคยสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทเลยอยู่กับน้องตามากือปีถ้าไม่เคยเทศน์อันเทศแต่เรื่อง ศีล ส, สมาธิปัญญาอันนี้เป็นตัวตำรวนการแก้ไขปัญหาอาจารย์ครับมีเพื่อนๆถามว่าการสวดมนต์จำเป็นอยู่ไหมครับมันก็เป็นอุบายวิธีของการจเจริญสติอย่างหนึง่งบางคนนั่งสมาธิยังไม่ได้ก็ใช้นั่งสวดมนต์ไปก่อนก็ช่วยทําให้จิตมีสติแล้วพอหลังจากสวดเสร็จก็อาจจะสามารถนั่งสมาธิต่อได้ดูร่มาหายใจต่อได้ แต่ถ้าเราสามารถนั่งสมาธิได้เลยก็ไม่ต้องสวมดมนต์เลยก็ได้พอเราจะเริ่มนั่งสมาธิล้วก็นั่งดูลมได้เลยก็ไม่ต้องสวดการที่เรารักษาศีลห้าและถือพุทธมรดจันคือไม่ได้หลับนอนกับสามีถือว่าได้บุญมากกว่ารักษาศีลห้าธรรมดาหรือเปล่าครับมันก็ได้บุญเพิ่อมอีกข้อนอึงนนการไม่รุ่มหลับลังก็เป็นล ะ, ล, ะละกิเลตันหาได้มากกว่า ของศีลห้าศีลห้ายังให้เราเสพเสพการามได้อยู่ร่วมเพศได้อยู่แต่ต้องร่วมเพศกับบุคคลที่เป็นคู่ครองของเราเท่านั้นอต่ถ้ามาซื้อศีลแปดแป๊บข้อ น, นี้ก็กลายเป็นไม่เสพเลยไม่ร่วมเพศจบใครเลยอาจารย์ครับก็าถามว่าไม่ได้ไปใส่บาตรกับคุณแม่ครับแต่ว่ายกมือท่วมหัวเท่านั้นอย่างนี้เวลาที่เขาตายไปเขาจะมีอะไรกินไหมครับ ถ้าเป็นของของเขาฟังแม่ไปใส่บาทก็เขาก็มีแต่เป็นของคุณแม่เราเพียงแต่ะยกมือสาตู้นี่นราไม่ได้ะไรเลยจากการี้คุณแม่ทมําไว้ต้องเป็นทรัพย์ของเราต้องเป็นของของเราแล้วเรามีเจตนาตั้งใจที่จะเสียสละทรัพย์ก้อนนั้นไปจะทําเองก็ได้จะฝากคนอื่นทําให้แทนก็ได้อย่างที่แม่ค้าที่ใส่บาทนี่วันนึงในวันนี้มีประมาณสองร้อห้าสิบคนผ่าน อันทางพ่อค้าแม่ค้าทำกับข้าวถวายให้กับให้กับพระพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ถ่ายเวลาถวายเขาก็ถ่ายรูปแล้วส่งไปยืนยันว่าได้ถวายให้นะพอเราโอนเงินแม่เขาปั๊ก็ถือว่าเรายืนว่าเราสําเร็จนะบอกเพื่อนเพื่อนทางติ๊กต็อกว่าส่งคำถามมาได้แล้วนะครับคุณสันติครับ ถ้าภาวนาแล้วจิตไม่สงบจะได้บุญไหมครับยังไม่ได้บุญนะ่รับกินข้าวยังไม่อิ่มต้อง ก, กินให้อิ่มอาจจะ ก, กินแค่คำสองคาแล้วก็มันไม่รู้สึกอะไรส่วนใหญ่ญาติโยมภาวนาส่วนใหญ่ไม่กินข้าวยังไม่อิ่มเนี่ยมัยังไม่ได้บุญเนาะ ก, การให้อาหารสัตว์ได้บุญไหมครับได้เป็นการทําทําทานเป็นการให้อย่างหง คุณธนวัลครับเวลานั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งจนเริ่มนิ่งมองเห็นลมเข้าออกชัดเจนพอเวลาผ่านไปเริ่มกลัวเป็นแบบนี้สองครั้งแล้วครับคือทําผิดวิธีไหมครับก็ผิดตรงที่กลัวไม่ทราบไปกลัวอะไรก็ให้ดูให้มีสตดิดูลมต่อไปเท่านันไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยถ้ากลัวต้องพิจารณาเรากลัวอะไรทำไมถึงต้องกลัวมีอะไรน่ากลัวจากการนั่งสมาธิไม่มี มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์เพียงแต่เรายัางนั่งไม่ถึงจุดที่มันจะทําให้กับผ่ขึ้นมาด้วยความสงบเงอย่างแท้จริงการเดินจงกรมจําเป็นกับการสวดมนต์ไหมครับมันเป็นอีกวิธีหนึ่งของการปฏิบัติเจริญสติหรือเจริญปัญญาก็ได้เดินจงกรมนี่เราสามารถพิจารณาทําได้เนื้อเจริญสติเพื่อทําใจให้หยุดคิด ไม่คิดเพื่อที่จะให้เอามานั่งสมาธิต่อได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเป็นเป็นรูปแบบหนึ่งของการปฏิบัติธรรมจริญสติเจริญปัญญาทําไมสภาวะความทุกข์ถึงคงอยู่นานกว่าความสุขครับทั้งที่ความสุขคือสิ่งที่เราตามหามาตลอดครับเพราะว่าเหตุที่ทําให้ทุกข์มันอยู่นานกว่าไหมความอยากของเรามันอยู่นานกว่า ใช่ทุกงานอาหารทิพเปคืออะไรครับบางคนบอกว่าถวายอะไรก็กลายเป็นอาหารทิพเวลาเราตายไปครับอาหารทิพก็คืออาหารที่เรากินในฝันไงเวลาเรารหลับฝันไปเรารไปเที่ยวไปกินอาหารแล้วนั่นนั่นนี่ก็เรียกออกเป็นอาหารทิพนะคุณภูธิชาครับ พระเกจิอาจารย์ดังที่สามารถเลือกวันมรณะภาพได้และไม่ใช่การมองเห็นการมรณะภาพล่วงหน้าคือท่านผู้ที่สําเร็จอาหารแล้วหรือไม่ครับอาจารย์อันนี้ไม่ทราบนืว่าท่านท่านเลือกได้หรือไม่ได้อย่างไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังอย่างชัดเจนรู้ว่าท่านอาจจะรู้คร่าวๆว่าอาจจะต้องตายในช่วงนั้นช่วงนี้อาจจะ มันจะกำหนดวันเวลาเป๊ะนี่มันก็ไม่ทราบเหมือนกับการคลอดลูกเนี่ยบางทีเราก็กำหนดไม่ได้ะว่ามันจะคลอดเมืม่อไหร่นอกจากว่าเราไปผ่าท่านเองคนสมาธินี่มันผ่ากันเพราะต้องการเลิกต้องการเวลาคลอดลูกเวลาแปดแปดหนึ่งแปด น, นี้ก็ต้องผ่าถึงจะได้แต่ถ้าปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินี้มันไม่แน่นอนเแต่รู้ได้คร่าวๆหมอบอกอ า, อาจจะวันนี้สองวันนี้อะไรก็พูดได้อยู่ แต่มันจะมาเมื่อไหร่นี่มันพูดยากความตายก็เหมือนกันนะตามความรู้สึกของเราเนาะเราพูดไปตามภาษาเราสวดมนต์บางวันเหนื่อยมากแต่ก็สวดเจ้าขาะคิดว่าเป็นการฝึกตนเองไม่ให้ขาดนั่งนับหนึ่งถึงร้อยแบบรถเร็วครับก็บางวันมันไม่อยากมันก็เลยเหนื่อยกิเลสมันต่อต้านมากมันก็เลยยากมันเหนื่อยวันไหนที่มันไม่มีกิเลสต่อต้านมันก็ง่าย าถามว่าอย่างนี้มีสิทธิ์จะเจริญก้าวหน้าได้ไหมครับก็ถ้าเรามีความเพียรพยายามไปไเรือ่อยๆไม่ยอมท้อถอยถึงเวลาต้องสวยก็สวยเนี่ยก็มีโอกาสคุณมาริษาครับตอนนี้มีคารวาสมาสอนธรรมมากมายแต่จิตใจชอบฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโน ม, มากกว่าอยากขอความคิดเห็นจากพระอาจารย์ครับมันก็แล้วแต่ความความพอใจของผู้ฟังเอาแล้วกัน บางคนเขาอาจจะฟังจากพระแล้วไม่รู้เรื่องก็ได้เพราะบางทีไปฟังกับพระบางรูปท่านก็พูดภาษาบาลีที่ส่วนใหญ่ก็ฟังไม่เข้าใจพอไปฟังกับคารวะญาโ ย, ายมเขาพูดภาษาของเราภาษาไทยฟังแล้วก็เข้าใจแล้วอาจจะมีโ อ, อ ก, กาสได้คุยได้ถามได้ง่ายกว่าคุยกับพระก็ได้คนบางคนเขาอาจจะชอบฟังเทศจากคารวาะมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าอยู่ในระดับเดียวกัน ก, กับพระนี่มันตีเกรงใจไม่กล้าถามไม่กล้าพูดบุญเดี๋ยวจะบากบุญเดี๋ยวจะผิดอะไรต่างๆอันนี้ก็แล้วแต่แต่ความพอใจของผู้ฟังแล้วกันหากมีคนมาบอกบุญเราเราหยุดคิดและคํานวณว่าจะทําบุญเท่าไหรด่ดีที่ไม่ทําให้เดือดร้อนแบบนี้ได้บุญได้ทําน้อยมากได้ทั้งนั้นนะขอให้เราถ้าเราได้ทํำนะ ถ้าไม่ได้ทํามันก็มันก็จะไม่ได้ผลกรับเรียนถามว่าพระอาจารย์ปัจจุบันมีเรื่องภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นและรู้สึกกังวลเราควรจะโยนิโสมนานสิการหรือเตรียมใจเรื่องนี้เรื่องภพิบัตินี้อย่างไรครับก็เป็นเรื่องสุดวิสัยเหนือวิสัยเราที่จะไปไปห้ามตามมันได้เหมือนกับดินฟ้าอากาศ ฝนตกแดดออกนี้ไม่มีใครไปกาหนดเป็สั่งมันได้เราก็เพียงแต่ต้องไม่ประมาทพยายามเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เท่านี้พระอาจารย์มีวิธีฆ่าตัวขี้เกียจเพื่อการทำสมาธิไหมครับกเอาตัวขยันเข้ามาแทนตัวขี้เกียจ การซื้อผ้าไตรจีวรถวายพระสายธรรมยุทธ์สายวัดป่าต้องเป็นสังฆาติสองชั้นเท่านั้นใช่หรือไม่ร้านขายสังฆท า, านบอกว่าสังฆาติสองชั้นใช้สําหรับพระบวชใหม่หากถวายโอกาสทั่วไปใช้แบบสังฆาติหนึ่งชั้นได้ถูกไหมครับคือสังฆาติที่เรามีสองชั้นนั่นแหะมันไม่ ม, ม, ม, มีชั้นเดียวที่เขาเรียกว่าชั้นเดียวก็คือผ้าจีวรซึ่งถ้าถ้าเวลาเวลาที่บวชแล้วมันก็มีสังฆาติ มีผ้าตายอยู่ครบชุดแล้วคือผ้าสังกะิีสองชั้นผ้าจีวรหนึ่งชั้นแล้วก็ผ้าสะบงนี่คือผ้าสามผืนที่จะต้องมีเวลาบวชแต่เวลาบวชเสร็จแล้วถ้าอยากจะมีผ้าเพิ่มเอาผ้าจีวรผืนเดียวก็ชั้นเดียวก็ได้ไม่ต้องเป็นไม่ต้องมีสังกะิีสองผืนไม่จําเป็นส่วนใหญ่สังกะิก็ไม่ได้ใช้นอกจากใช้ผ้าบาเวลาเห็นพระทําพิธีทําสมัยนั้นเป็นผ้าพิธีกรรมไปซะแล้วมันก็ได้ใช้กันได้าลหร การใส่บาดพระกับใส่บาดเนนอย่างนี้ได้บุญต่างกันไหมครับไม่ตางนะบุญที่ให้ที่เกิดจากการให้ไม่ต่างกันแต่บุญที่เกิดจากการนับธรรมะจากพระกับเนนอาจจะต่างกันอยู่ที่ว่าพระกับเนนใครมีธรรมะมากกว่ากันอย่าประมาทเลยนะเน้่บางคนมีธรรมะมากกว่าพระก็ได้ถ้าเราคุยกับท่านในสมัยพุทธกาลมีเนนมีเนนเป็นพระอาหาันต สั่งสอนพระเทเรสที่มีพรนธะมากกว่าเซนวยซ้ำไปก็มีพระโปติลัก์เนี่ยใบลานตปลาถ้าเราเกิดความคิดที่ไม่ดีอยู่บ่อยๆซึ่งเป็นอกุศลรู้ว่ามันไม่ดีแต่ห้ามความคิดไม่ได้แบบนี้บาป <บา S 2> ไหมครับเพราะคงไม่มีใครที่จะคิดดีตลอดเวลาครับถ้าไม่ไปสู่การพูดหรือการกระทํำก็ยังไม่บาปแต่มันก็มีนเมย ถ้าี่ดีก็ควรจะเตือนใจบอกอย่าคิดอย่างนี้แล้วทุกครั้งที่มันคิดเราก็ใช้คําบริกรรมพุโทโธพุทโธสวนกลับเข้าไปต่อไปมันก็จะกําลังมันก็จะลดน้อยถอยลงไปเองถ้าเราไม่คอยคอยห้ามปลามันด้วยสติเห็นเพื่อนบ้านเอาปลาโนกมาเลี้ยงในตู้ในกรงแบบนี้ติดกรรมอะไรบ้างครับก็เป็นการกักขังเขาแหละ ต่อไปแล้วอาจจะไปแก่เป็นปาาเป็นอะไรนะถูกก็จับไปกักขังเือนกับที่ปาเหล่านี้ถูกกักขังมาได้อยาสอบถามว่าฟังคําสอนมาเยอะแล้วคิดว่าเข้าใจเยอะแต่ทําไมถึงปฏิบัติไม่ได้ขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ครับก็เพราะว่าไม่ไม่เริ่มปฏิบัติมันก็ปฏิบัติไม่ได้การปฏิบัตินี่มันเหมือ น, นกับการเป็นการว่ายน้ําเนี่ย การไหว้นะ้ำถ้าเราเพียงแตเรียนวิธีไหว้นะ้ำเราก็ยังไหว้นะ้ำไม่เป็นอยู่ดีเราต้องลงไปในสระแล้วก็เริ่มหัดไหว้พอเริ่มหัดไหว้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ไหว้ได้แบบเดียวกันการปฏิบัติก็เหมือนกับการไหว้นะ้ำถ้าเรียนแต่วิธีทฤษฎีของการปฏิบัติแต่ไม่ปฏิบัติก็จะไม่ได้อะไรคนที่เป็นโรคจิตทะเลาะกับพระสงฆ์แบบนี้บาปเยอะไหมครับ คือการทะเลาะกับใครมันเขาไม่ควรนะเพราะว่ามันไม่มันมันมันไม่เป็นการกระทําที่ที่ที่ดีอาจจะนําไปสู่การทําร้ายกันต่อไปก็ได้นี่ไม่ควรทะเลาะไม่ว่ากับใครไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือใครก็ตามเราจะทําบุญอุทิศให้ผู้ตายภายในเจ็ดวันที่ตายเขาจะได้รับบุญที่เราให้อุทิศครับ ไม่แน่อยู่ที่ว่าเขารอรับหือไม่คนบางคนตายแล้วไปสวรรค์ก็ไม่ต้องรอรับบุญบางคนตายไปตกนรกก็ไม่รับบุญไม่ได้ถ้าตายแล้วเป็นเ ป, น เ, ปนเนี่ก็จะมารอรับบุญได้อต้องทำบุญอย่างไรถึงจะหายป่วยครับยัง ม, มาเกิดเนี่ยยังมาเกิดการภาวนาเนี่ยอธิบัตนทำให้บรรลุถึงนิพพาน พอถึงนิพพาน้วก็จะไม่มีการกลับมาเกิดอต่อไปอย่วันนี้ก็เทศนะทุกทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดทั้นั้นถ้าตามรายังมีการเกิดอยู่มันก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความตายอยู่เราทะเลาะ ก, กับพี่ทะเลาะ ก, กันเสียงดังจนแม่กลัวแล้วแล้วเครียดจนร้องไห้หนักมากเรารู้สึกผิดบาปมากที่ทําให้แม่เครียดเสียใจ แบบนี้เรากับพี่บาปไหมแต่พี่ไม่รู้สึกอะไรแถมยังเฉยเฉยไม่สนใจกลับมาว่าเราเป็นคนผิดอีกครับคือถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะไปทําให้แม่เศร้าทุกข์จากการกระทําของเราเพียงแต่ว่ามันผลกระทบมันก็ไม่บาปโดยตรงแต่ถ้าเราเห็นว่ามันก็ทําให้พ่อแม่แม่เสียใจไนดะ้เพราะอยากให้ลูกหลกรักกันเราก็ควรที่จะอยากกระทําแบบนี้ กะนั่นก็อยากทาต่อหน้าแม่กันแล้วกันถ้าจะไปทะเลาะกันก็นไปทะเลาะที่อื่นกันเคยฝันเห็นหลวงปู่ทวดว่าตัวเองเนี่ยเคยไปวิ่งเล่นอยู่บนกุฏิของท่านอย่างนี้หมายความว่าเราเคยอยู่เมื่อชาติที่แล้วไหมครับไม่แน่นอนนะจิตสามารถตงแต่งเรื่องราวต่างๆได้อะไที่ไม่หมายความว่าจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ถ้าความคิดไม่ดีเกิดขึ้นในหัวแต่เรารู้ทันมันและยับยั้งความคิดไม่ดีนั้นจะเป็นบาปไหมครับถ้ายังเป็นความคิดอยู่มันก็ยังไม่บาปถ้าคิดแล้วไปทํามันถึงจะบาปคิดจะขโมยของแล้วไปขโมยของมันถึงจะบาปเพียงแต่คิดแล้วเรายับยั้งไว้บาปก็ยังไม่เกิด เคยได้ยินว่าหากมีคนมาบอกบุญหรือเราทราบว่ามีการทำบุญและเราทำทันทีเลยไม่ช้าไม่คิดสิ่งนี้ถูกต้องไหมครับคือเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราไปทำบุญอะไรล้วเป็นบุญที่เราสนับสนุนหรือไม่เพราะบุญมันมีหลายรูปแบบบางทีเขาจะเอาไปทาอะไรที่เราเห็นว่ามันไม่เกิดประโยชน์เราก็ไม่ทำก็ได้อันนี้แล้วแต่จะคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้ เอาแบบไม่คิดก็ได้ครับใครก็จะเรียกบอกบุญมาก็ทำกับเข้าไปเขาจะหลอกเรานีไ่ไหมเราก็ไม่สนใจอันนี้มันก็ได้เหมือนกันมันก็ได้บุญคนที่เราทําบุญไปแต่ประโยชน์นั้นอาจจะไม่เกิดเลยถ้าเกิดเป็นการหลอกลวงกันอย่างนี้มันก็จะไม่เกิดประโยชน์เป็นการสนับสนุนคนที่มาหลอกลวงเรา เราต้องภาวนาใหถึงะระดับไหนถึงจะปล่อยวางจิตที่สุขทุกได้ครับก็สมาธิก็ต้องถึงขั้นอับปนาสมาธิขั้นฌานสี่ิวเมคาแล้วก็ปัญญาก็ต้องเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากของเราและสิ่งที่เราอยากได้ก็เป็นทุกข์ด้วยมีอารมณ์โกรธเพราะห่วงลูกเรื่องเล่นเกมมากเกินไปพระอาจารย์ ฝากพระอาจารย์สอนลูกชายด้วยครับแม่ห่วงลูกครับลูกชายตอนนี้ฟังอยู่ครับวันนี้ก็มีสัตวาญาติโยมนำเด็กๆเข้ามาวัดเนี่ยเขาแจ้งบอกว่าตั้งแต่ได้ยินอาจารย์สอนยอกว่าถ้าอยากให้ลูกให้ลูกได้ดีก็พาลูกเข้าวัดกันเขาก็เลยจัดโครงการพาพาเด็กเข้าวัดกันมีดอยู่สี่ห้าคนวันนี้ยังอยู่ระดับระอนุบาลหรือปอนหนึ่งปอนสองเนี่ยเข้ามาฟังเทศฟังธรรมกันะ ทำบุญใส่บาตรกันพ่อแม่ต้องเป็นผู้พาทําเพราะเด็กเขาทาเองไม่ได้ถ้าพ่อแม่ไม่สอนลูกก็ก็ไม่รู้วิธีทําบุญไม่รู้วิธีเข้าวัดกันก็ปล่อยให้เล่นเกมพอติดเกมแล้วทีนี้ก็เป็นปัญหาขึ้นมาแะแก้ยากเป็นเพราะเกมนันก็เป็นเห ม, มือนยาเสพติดยังต้องพ่อแม่ต้องต้องพยายามพาลูกเข้าวัดหรือพ่อแม่ก็ต้องเข้าวัดด้วยบางทีปัญหาคือพ่อแม่ก็ไม่เข้าวัด ก็เลยลกก็เลยไม่มีผู้นําเข้าวัดจําเป็นไหมครับเวลาไหว้พระพุทธรูปที่บ้านทุกวันพระต้องถวายน้ําและผลไม้ครับไม่จําเป็นอะ่ะอยากจะถวายก็ได้ไม่ถวายก็ได้สุนัขที่เลี้ยงเสียไปครับสวดมนต์บทไหนถึงจะส่งบุญให้เขาได้ครับไม่ได้ต้องใส่บาตรทำบุญใส่บาตทําทานถึงจะส่งไม่ได้ ส่วนนี้มันยังไม่เกิดผลมันกินข้าวยังไม่อิ่มทำยังไงธาตุจะไม่มารวมกันครับเราทําไม่ได้หรอกมันเป็นธรรมชาติของธาตุที่เขาจะรวมกันอยู่แน่ๆเห็นไหมต้นไม้มันเกิดมันเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุนมธาตุไฟเพราอมมันก็เกิดขึ้นมาถ้ามันไม่พรอมันก็ไม่เกิดเช่นไปอยู่ในทะเลทรายมีแต่ธาตุดิน ท่านไฟทา่านนมแต่ไม่มีท่านน้ํามันก็เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเรื่องปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคมันได้ช่วงเวลานอนจะนอนสวดมนต์ทำสมาธิและท่องอิติปิโสจนหลับแบบนี้ได้ไหมครับเพราะว่าปวดหลังนั่งสวดไม่ได้ครับก็ได้หลับนะไม่ได้บุญนไม่ได้สมาธิ ได้ตักบาตรที่เช้าเห็นคนใส่เงินในบาตแล้วพระหยิบเงินใส่ย่ามแบบนี้พระผิดวินัยสงไหมครับเพราะเคยได้ยินว่าพระสงฆ์ห้ามจับเงินและปกติเราต้องยืนตักบาตหรือต้องนั่งกันแน่ครับเรื่องเงินก็ถ้าพระหยิบใส่บาตหยิบเข้ากระเป๋าเองก็ผิดพระวินยัยปกติเงินนี้ต้องฝากให้ทุกศิธิ์เป็นผู้ดูแลรักษาไว้แต่ถ้าอาจจะมีครั้งจำเป็นอาจจะเอาไปใส่ ใส่ในย่ามแล้วกลับไปวาดกลไปฝากกับลูกศิษย์ท่าหนึ่งก็ก็ถือว่ามันก็ไม่ยังไม่บาปเพราะท่านก็ไม่ได้เอาเก็บไว้เอาไว้ใช้เองแต่หมายถึงว่าไม่ได้เก็บไว้ใช้กับตัวเองอยู่กับตัวเองไปฝาลูกศิษย์ตามกฎระเบียบแต่ในช่วงที่รับมาเนี่ไม่มีใครรับแทนก็เลยรับรับไปให้อีกทีนึงแต่บางบางท่านก็ต้องการให้มันบรสรอยเปอซก็ไม่แตะไม่รับเลย ถ้ไมมีลูกศิษย์มาด้วยก็ไม่รับเลยส่วนอะไรนันอีกข้อหนึ่งที่ไม่ได้ทำอ๋อต้องยืนตักบาตรหรือนั่งตักกันแน่ครับอาจารย์ครับโดยธรรมเนียมก็ถ้าเป็นถ้าคนแก่คนเจ็บออะไรจะจะนั่งตักก็ได้ น, ะนั้นแล้วแต่ธรรมเนียมในภาคอีสานบางทีญาติโยมเขาจะนั่งตักบาตรกันขเขาร่วมพระ่ยเวลาไปบิณฑบาต ถ้าตาโยมก็จะไม่ยืนเงินเจะนั่งแล้วก็เอามือยื่นหยิบข้าวเหนียวใส่ใส่ไปในบาตได้ทั้งนั้นยืนก็ได้นั่งก็ได้ก็ดูความเหมาะสมของโมเพณีของสถานที่ที่เราไปฏิบัติถ้าก็นั่งเราก็นั่งถ้าก็ยืนแล้วก็ยืนให้รู้จักการละเทศะทําสั่งกระทานตามวัดที่เตรียมให้หยอดไว้ที่ตู้ได้บุญให้ผู้ร่วมรับได้ไหมครับได้ได้เหมือนกัน การเดินจงกลมจําเป็นต้องเป็นพื้นราบเท่ากันตลอดทางไหมครับเพราะที่บ้านไม่มีพื้นที่ราบเท่ากันตลอดจะมีอย่าบางช่วงที่ต้องเดินก้าวบันไดหนึ่งขั้นครับอย่างนี้ทาได้ไหมครับได้ถ้าเรามีทางนื่งถ้าเราต้องการทําทางจงกรมที่อย่างในวัดนี้เขาก็จะทําทางให้มันราบมันเรียบมันจะเดินสะดวกไม่เได้ไม่เดินแล้วสะดุดหกลง้ม แต่ถ้าไม่อยู่ในที่ที่ไม่สามารถทําได้เราจะเดินยังไงก็ได้เดินขึ้นบันไดขึ้นชั้นสองกลับลงมาชั้นหนึ่งก็ได้เป็นการเดินจกรมไปแบบขึ้นบันไดขึ้นลงขึ้นลงไปก็ได้คือเป้าหมายหลักก็คือการเจริญสติเวลาเดินให้มีสติอยู่การเดินแล้วสองเป็นการออกกําลังกายเนี่ยพ้นเปลี่ยนนิยาบทบางทีถ้านั่งสมาธินานๆแล้วร่างกายมันก็ปวดเมื่อยตาม อวัยวะต่างๆก็ต้องมีการผ่อนคลายด้วยการออกไปยืดเส้นยืดสายก็เดินจงกรมสลับกันกับการ น, นั่งอาจารย์ตอนนี้ยังเดินอยู่หน้ากุฏหรือว่าไปเดินที่จะดีอยู่ครับอาจารย์อ๋ออยู่ที่หน้ากุฏนะไม่เคยไปเดินที่จะดีนะไม่เคยอาอาจารย์รเดินที่หน้ากุฏอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับอืม ให้อาหารคนเร่ร่อนเท่ากับอาใส่บาทพระเลยไหมครับได้ได้เท่ากันถ้าปริมาณของการให้เท่ากันให้อาหารร้อยบาทกับพระให้าหาร้อยบาทกับคนเร่ร่อนเนื้อให้อาหารกับสุนทรร้อยบาทมันก็ได้บุญเท่ากันได้การเสียสละเท่ากันแต่ประโยชน์ที่จะได้รับได้จากผู้รับ ไ, ไม่เหมือนกันท่านเองให้กับพระก็จะได้ธรรมะจากพระให้กับคนเร่ร่อนเขาไม่มีธรรมะให้เขาว่าจะให้ ความขอบคุณยกนือไหวเราให้กับหมาหมามันก็จะอาจจะคอยเฝ้าบ้านให้เราในประโยชน์ที่จะได้รับจากคนที่เราให้นี่ไม่เหมือนกันนั่งสมาธิแล้วปวดเขา่าเราควรนั่งต่อไปหรือควรทำอย่างไรต่อครับอยู่ที่ว่าเราอยู่ในขั้นไหนถ้าอยู่ขั้นต้นนั่งแล้วทนนั่ ง, นงทนต่อไปไม่ได้ก็เปลี่ยนเนือาบนุ้งก็มาเดินก่อนก็ได้ แต่ถ้าเราอยู่ในขั้นที่ว่าเาอยากจะสู้กับความเจ็บปวดของร่างกายเราก็จะไม่ยกเราก็จะไม่ขยับเราจะใช้วิธีของสติทาใจให้นิ่งให้สงบเพื่อจะได้ผ่านความเจ็บปวดนันของเข่าไปได้ของของร่างกายไปได้อันนี้ก็อยู่ที่ขั้นของการปฏิบัติว่าเราอยู่ขั้นไหนอยู่การแผ่เมตตาควรทำบ่อยๆมีผลต่ออันิสงส์ต่อตอนเองไหมครับ การแผ่เมตตาไม่ได้แผ่ด้วยการสวดนะ <Lean. S 1> ต้องแผ่ด้วยการกระทําเวลาอยากเวลาอยากจะใส่บาตรนี่ก็เป็นถือเป็นการแผ่เมตตาอย่างอยากจะให้พระเมรอาหารกินก็หรืออยากจะให้ให้เงินข อ, อทานอย่างนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาในเวลาเราเดินไปนชนงันชนกับคนนั้นคนนี้ก็อยากไปถือทอดกดคืนกันให้อภัยกันต้องเกิดจากการกระทําไม่ใช่เกิดจากการสวด ก, การสวดนี่ยังไม่ได้แผ่เมตตาใดอย่างนี้ การนั่งสมาธิสามารถทำให้เรารู้ได้หรือไม่ว่าคนที่ตายไปแล้วบางคนยังไม่ได้ไปเกิดยังอยู่ที่บ้านบางคนก็ไปแล้วไม่อยู่ใช่หรือไม่ครับก็ต้องได้สมาธิพิเศษนะที่เรียกว่าอุปจารณะสมาธิก็สามารถที่จะติดตามดวงวิญญาณของของคนนั้นคนนี้ได้อย่างตอนนี้พระพุทธเจ้านิพพานนี้ก็มีพระอนุทะท่านมี ท่านมียาณสามารถติดตามดูว่าจิตของพระเจ้านี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้บอกอยู่ในรูปประชานตอนนี้อยู่ในรูปประชานตอนนี้นิพพานนะออกจากออกกรูปประชานแล้วก็ไม่เข้าว่ารูปประชานนิพพานไปในระหว่างรูปประชานกับรูปประชานอันนี้ต้องมีสมาธิพิเศษซึ่งไม่ได้เกิดกับขึ้นกับทุกคนนั่นไม่จะมีความจําเป็นในสำหรการที่จะทําให้กิเลสสิ้นกิเลสไม่ต้องใช้สมาธิแบบนี้ ตอนคุณแม่เสียไปเข้าฝันคนข้างบ้านว่าอยากกินขนมทาไมไม่มาเข้าฝันลูกๆครับเพราะว่ามันเขาไม่เข้าฝันนเพื่อนบ้านเขาฝันคิดถึงแม่ไปเองก็ได้ออย่าไปคิดมากเลยนะทุกความฝันนี่มันเกิดจากคนคนคนตายเข้าเข้ามาหาเราก็ได้ไม่เกิดจากคนเป็นคิดถึงเขาว่าฝันไปก็ได้นึกคิดไปก็ได้ในฝัน แทนั้นถ้าเรา ย, ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นอย่างไดอย่างหนึ่งก็ฟังหูไหวหูก่อนก่ลังมาสู่วันพระลูกถือศีลห้าใส่บาตรหลังจากแผ่เมตตาให้ผู้เสียชีวิตที่ลูกเอ่ยนามสักพักเห็นผู้เสียชีวิตเป็นเพราะอะไรครับเพราะเราคิดถึงเขามันก็เลยโหยไป ม, มาในใจเราเป็นผู้หญิงครับได้บวชทูดง อยากทราบว่าผลบุญสูงขนาดไหนครับก็อยู่ที่สสกจิตกิเลสน้อยลงมากน้อยเพียงไรเนี่ยจิตสงบมากขึ้นเพียงไรก็อยู่ที่ความสงบของจิตความทุกข์น้อยลงไปเท่าไหร่อันนี้คือเครื่องวัดของการปฏิบัติจิตที่ไม่เวียนว่ายในสังสารวัฏแล้วไปอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เดิมอยู่ที่อยู่ในโลกทิพนี่แหละเพียงแต่ว่าอยู่ในโลกทิพที่ไม่ไป เข้ไปเกี่ยวข้องกับสังสารวัฏไม่ไปไปเกิดในภพทั้งสามไม่เกิดในการมปรภพรูปประภพเรือดประภพเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าผู้ที่เสียชีวิตแล้วไปอยู่ที่ไหนครับต้องมียานพิเศษต้องมีมีสมาธิพิเศษมียานอย่างซ้ำ หมอดูทักให้เปลี่ยนชื่อโดยถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วหน้าที่การงานจะดีขึ้นครับขอคําแนะนําครับยังถ้าคนเรบเปลี่ยนชื่อกันให้หมดดูไม่ดีกว่าเลยเราเปลี่ยนชื่ออาจาจะให้เป็นเจ้าคุณสูงขึ้นกั น, นได้ก็ดีเหมือนกันอาจารย์ไม่เปลี่ยนกันได้เป็นเจ้าคุณแล้ว <c oughs> อ๋ออยากอยากให้มันสูงกว่านี้ไง อา น, นิสงของการถวายผ้าไตรคืออะไรครับอาจารย์ครับก็ป็นทานอย่างหนึ่งเราให้เสื้อผ้าเราพรมนาชาน่าเราก็จะมีคนให้เสื้อผ้าเราทำมาสินแบบนี้ให้แล้วเราก็ได้สินนั้นกลับมาณนะพงกระลึงบวชได้ไหมครับอาจารย์เ ป, เ, ป เ, ปเป็นใครณพงกระลึงเนี่ยผมก็ไม่ทราบพอผ่านเนี่ย อยากทราบวิธีสังเกตคนดีแบบง่ายๆครับคนดีก็คือคนมีศีลเนี่ยไม่โกหกไม่ชอบโกงไม่หลอกลวงไม่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดูศีลห้าเป็นหลักคนดี ถ้าเราตัดบาทแล้วแต่ไม่ได้แผ่เมตตาเลยคือตัดบาทใส่ครองให้พระท่านเสร็จแล้วก็เดินไปไม่ได้ไหว้พระตอบกลับเดินนําหน้าก่อนพระจะเริ่มเดินแบบนี้เราได้บุญไหมครับญาติที่เสียไปแล้วเราไม่ได้แผ่เมตตาจะได้รับไหมครับไม่ได้ถ้าเราไม่อุทิศบุญญาติที่เรารับก็จะไม่ได้บุญของเรา บอกน้องชายให้ฝากของกับเราไปใส่บาตรถ้าตื่นไม่ทันเพราะเราไปใส่อยู่แล้วน้องบอกว่าเขาอยากไปใส่ด้วยตัวเองโดยตรงกับพระไม่อยากฝากใส่บาตรเดี๋ยวจะได้บุญเหมือนทาบุญกับเราไม่ได้บุญเหมือนทากับพระอย่่งนีถูกไหมครับไม่ถูกรอกเขาได้บุญแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้บุญเต็มร้อยแบบเราทำเองด้วยเขาได้ส่วนที่โดยจากของเงินทองไป แต่ส่วนที่ตัวเขาต้องทํานี่เขาไม่ได้ทําส่วนนี่เขาก็จะไม่ได้บุญคือการไปใส่บาตรด้วยตัวเขาเองแต่ก็ได้บุญจากการฝากของไปใส่บาตรให้มันเปนบุญสองอย่างควบคู่กันไปเวลาทําบุญบุญที่ได้จากการเสียสละจาคะและบุญที่ได้จากการทําความเพียรชอบปฏิบัติอย่างเดียวไม่อ่านเลยแบบนี้ได้ไหมครับ ถ้ารู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องไม่ต้องอ่านก็ได้แต่ถ้ายังไม่รู้รไม่อ่านอาจจะปฏิบัติแบบไม่ถูกต้องก็ได้พระบอกญาติโยมว่าชอบสิ่งนั้นชอบสิ่งนี้ไม่ชอบสิ่งนั้นไม่ชอบสิ่งนี้เพื่อบอกไกลๆว่าครั้งหน้าให้เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาถวายพระทำแบบนี้ได้ไหมครับก็ไม่ควรไม่ควรพูดชอบสิ่งนั้นชอบสิ่งนี้เฉยๆไปับ ผู้จสาสอนให้ยินดีตามมีตามเกิดสันโดษแล้วแต่ผู้ให้ผู้ให้อยากจะให้อะไรก็ยินดีรับไว้เสมอมีการสอบถามบอกผมเคยนั่งสมาธิแล้วมีความสุขแบบเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมมีความอิ่มเหมือนมีแสงสีชมพูแบบนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับเรียกว่าปัญหาสมาธิก็ได้ยไม่ใกานิกงสมาธิก็อยู่ว่าสงบได้ไม่นาน้ ทุกวันนี้มีคนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะมากถ้าควันบุหรี่มารบกวนเราทนเราคิดอภัยไม่ติไม่ว่าจะได้บุญไหครับส่วนคนที่สูบผิดศีลข้อหนึ่งคือเบียดเบียนคนอื่นไหมครับอืไม่อยากเียแต่ว่าเบียดเบียนก็ได้มันทาให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดรน้อนแต่ว่าจะบาปมากบาปน้อยนี่ก็แล้วแต่ความเสียหาย ส่วนเราก็ได้บุญในที่เราม เ, เรามีความอดทนเรามีการให้อภยัยเรามีความเมตตาเราก็ได้บุญในแบบอย่างนั้นไปตอนใส่บาตรตอนเช้าต้องกล่าวคำหรือพูดอะไรก่อนใส่บาตรครับไม่ต้องเลยใส่ไปได้เลยเท่าไรใส่บาตร ตอนนี้ดูแลคุณแม่ที่แก่ชาราที่บ้านและทํางานชีวิตหลังจากนั้นอยากบวชครับบวชตอนแก่แล้วอย่างนี้ได้ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับอุปชาผู้ที่อยากรับบวชว่าเขาเห็นว่าเราสามารถมีความสามารถที่จะดูแลตัวของเราเองในขณะที่เป็นพระได้หรือเปล่าเพราะเป็นพระนั้นต้องพึ่งตนเองทุกอย่างเต้องบิณฑบาตต้องอทําความสะอาดกุิสักจีวอรอะไร ไม่ใช่มาบวชแล้วก็มาเป็นภาระให้กับผู้อื่นนี่ท่านก็จะ จ, จะไม่ไม่รับเราเรโดยต้นตางทีจานักที่เขาเข่งแข่งนี่เขาจะไม่บวชให้ทันทีเขาจะให้อยู่เป็นภาคขาวไว้ก่อนถือศีลแปดอยู่ไปก่อนแล้วดูสิว่าอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ได้ทําหน้าที่ไม่บกพร่องก็อาจจะบวชให้ต่อไปอย่างที่สายลุงปู่ชาเนี่ยถ้าเป็นชาวต่างประเทศนี่เขาว่าปีแรกนี่ต้องมาอยู่เป็นภาคขาวก่อน พอผ่านปพอผ่านพ้าขาแล้วก็มาบวชเป็นเนอีกสองปีมนะถึงจะค่อยให้บวชเป็นพระจะได้ดูว่าเขาสามารถทำํทำมามกระเบียบของพระของของพระได้หรือเปล่าลูกถือศีลห้าใส่บาตรวันพระแล้วอุทิศให้คนเสียชีวิตสักอ่อนิดบรนถบามไปแล้วครับ ถามพระาจารย์ว่าคุณแม่ป่วยแล้วท่านชอบบ่นว่าทำบุญมาเยอะทำไมถึงต้องมาป่วยอย่างนี้ท่านไม่เข้าใจนว่าการทำบุญนี่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นการห้ามป่วยคนเราทุกคนไม่ว่าจะมีบุญมากบุญน้อยก็ต้องป่วยป่วยมากป่วยน้อยก็คืออยู่กับบาปที่เราทำมาในอดีตชาติถ้าเราทำบาปมากก็จะป่วยบ่อยถ้าทำบาปน้อยก็จะป่วยป่วยน้อยกว่าไม่แต่พระพุทธเจ้ายังกยังต้องป่วยเลย แฟนเพิ่งจะเสียไปนะครับนี่สินเยอะมากท้อแท้เหลือเกินขอท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางด้วยครับก็อย่าไปอย่าไปวิตกกับมันเราก็ทำหน้าที่ของเราไปมีก็ใช้ไปไม่มีก็ติดไปก่อนทำตามที่เราสามารถทำได้จากเรื่องอ๋อเขาบอกว่าเขาขออนุญาตนำ ธรรมะของพระอาจารย์ไปแชร์ไปโพสต์ต่อนะครับเพื่อเป็นธรรมทานครับใช่ครับคุณสีดิชัยครับเมื่อความคิดเกิดรู้ก็รู้อยู่ว่าคิดเราไม่ได้คิดเมื่อรู้ก็ไม่ยึดความคิดกลับมาอยู่กับผู้รู้ตรงระหว่างอกก็รู้สึกสงบฝึกบ่อยๆแบบนี้ถูกไหมครับถ้าจิตสงบก็ถูก สวดมนต์เป็นประจำแต่ไม่ได้นั่งสมาธิอย่างนี้ได้บุญไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าสงบหรือไม่สงบสงบหรือมันกินข้าวอะ่ะกินอิ่มหรื อ, อยังถ้าอิ่มมันก็มันก็ได้มันก็ได้บุญถ้ายังไม่อิ่มก็ยังไม่ได้บุญยังไม่สงบก็ยังไม่ได้บุญอยากถามว่าสังฆทานเวียนทำที่วัดจัดให้อย่างนี้ได้บุญไหมครับได้ได้บุญ ตักบาทควรจะถอดรองเท้าไหมครับต้องถอดต้องถอดเพราะเป็นธรรมเนียมมาแต่สมัยพุทธกาลผมนึกถึงความตายตลอดเลยเลิกตั้งเป้าเป็นคนรวยและมีครอบครัวไปเลยและทำงานหาเงินเท่าที่จำเป็นและปฏิบัติธรรมไปด้วยส่วนทางกับคนทั่วไปผมทำถูกต้องในทางธรรมแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ ถูกต้องนะต่อไปอาจจะไปได้อาจจะได้บุญก็ได้สวดมนต์อุทิศส่ว น, น, วนกุศลให้คนตายเขาจะได้รับไหมครับบุญที่เราสวดมันยังไม่ได้เป็นบุญนะที่ว่าเขาคงยังไม่ได้รับเราถ้าอยากให้เขารับเราทําบุญเลยปาใส่บาตรหรือถวายทานเราก็จะได้บุญเกิดขึ้นทันที บอกน้องชายให้ฝากอ่อนนิมมินทามไปแล้วจุดประสงค์ที่มีพระวินัยไม่ให้พระจับเงินเพราะป้องกันไม่ให้พระสะสมทรัพย์เพื่อสนองกิเลสตนเองไม่ใช่เพื่อไม่ใช้ไปเพื่อทางกิตทางศาสนาอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ไม่ต้องการให้พระเกี่ยวข้องกับเงินทองเลยเพราะไม่จําเป็นเพราะเงินทองส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือของกิเลสมากกว่า โสดาบันปฏิมัติยังไม่ถึงโสดาปฏิผลแบบนี้พ้นจากอบายภูมิถาวรเหมือนกันไหมครับยังไม่พ้นยังไม่บรรลุยังไม่สําเร็จเป็นพระโสดาบันยังยังปฏิบัติอยู่ยังก้าวขึ้นบันไดอยู่ยังไม่ถึงไม่ถึงขั้นของพระโสดาบันเพียงแต่อยู่บนขั้นบันไดที่จะนำไปสู่ขั้นของพระโสดาบันต้องเดินให้ไปถึงชั้นของพระโสดาบันยังยับรรลุ โยมมีอาชีพทําอาหารกว่าจะเสร็จได้เก็บล้างภาชนะก็จะมีมดขึ้นตามภาชนะก่อนก่อนล้างโยมจับข้อออกแต่ไม่หมดทําให้หมดที่เหลือตายไปเป็นประจำทําให้ศีห้าไม่บริบูรณ์โยมจะแก้ไขด้วยการกรวดน้ําแผ่เมตตาได้ไหมครับไม่ได้ลระบางที่ทําไว้เราก็ต้อ ง, เ ร, องเราก็ต้องรับผลของมันต่อไปในอนาคต คนไข่ระยะประคับประคองมีแผลผู้พองเจ็บปวดเปิดทําไมะขอฟังแต่เขาไม่รับเลยอย่างนี้เป็นกรรมของเขาหรือเปล่าครับจิตเขายังไม่พร้อมเยคือยังไม่พร้อมที่จะรับธรรมะเขาไม่เข้าใจก็ได้เพราะงั้นไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเวลาตายไปจิตมันหลุดออกไปเลยใช่ไหมครับจิตรู้ตัวอีกทีคงอยู่อีกพพหนึ่งเราจะเจอท่านยมทูตยกท่านยมทุกคนไหมครับ เวลตายก็เหมือนัำให้เรานนลำเลยหมายเลขโทรศัพท์มีผลกับชีวิตของเราจริงไหมครับอ่าถ้ามีคนติดต่อเราได้ไม่ได้ก็อยู่ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้แต่จะทําให้เรารวยขึ้นหรือจนลงเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ที่หมายเลขโทรศัพท์แต่หมายเลขมันมีไว้ก็จําเป็นสหรับการติดต่อสื่อสารกัน ดวงวิ ญ, ญญาณที่ยังติดค้างอยู่ตามสถานที่ตายวิ ญ, ญญาณพวกนี้เป็นสัมภเวสีหรือเป็นเปรตครับแล้วแต่บุญแล้วแต่บาปที่เขาทำหรือคือเวลาร่างกายเราตายไปเนี่ยจิตก็จะเป็นดวงวิญญาณ ถ, าาถ้าอํานาจท่านอยู่ภายใต้อํานาจของบุญดวงวิญญาณนี้ก็จะเป็นเทพเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ ถ้าอยู่ภายใต้อำานันของบาป ก, ก็จะไปเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างหรือจะไปตกนรกบ้างบางครั้งแม่บอกฝันถึงญาติที่เสียไปแล้วมาหาบ่อยๆและชวนไปอยู่ด้วยกันทุกครั้งบางครั้งแม่ฝันเดินทางเปลี่ยวๆมืดๆเหมือนไม่ใช่ทางโลกที่เป็นอยู่เลยเหมือนอีกทางโลกหนึ่งแบบนี้เป็นนิมิตภพภูมิอื่นหรือ ย, อยางไรครับไม่ทราบเหมือนกันนะ ความฝันเนี่นเป็นอะไรก็ได้คำถา ม, ถามคล้ายๆกันครับอาจารย์บอกว่าฝันเห็นเพื่อนที่ตายแล้วมาหามาชวนไปเที่ยวแต่บอกว่าไปไม่ได้อย่างนี้หมายความว่ายังไงครับอาจารย์ก็เป็นความฝันอย่าไปถือเป็นสาร ะ, ะรเลยเลยจิตเป็นผู้รู้เกิดดับจิตผู้รู้ก็ยังเป็นอวิชชาใช่ไหมครับ จิตนี้ตัวจิตไม่เกิดไม่ดับนะแต่อารมณ์และความคิดต่างๆในจิตนี้ไม่เกิดดับกระดับตลอดเวลาที่มันเป็นอวิชชาก็สําหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังจะจะอยู่ภายใต้อํานาจของอวิชชาอยู่คือความลงน้ําพระพุทธมนต์ที่ครูบาอาจารย์รูปต่างๆทํ า, าทแล้วปรับผมให้มีประโยชน์อย่างไรไหมครับ ก็ทําให้นางกายเรเปียกไปดูเขาตกปลาครับแล้วก็คุยเรื่องตกปลากับเขาอย่างนี้เราบาปไหมครับไม่บาปเพราะถ้าเรายัางไม่ได้ทําถ้ายัางไม่ได้ทำเองเห็นแต่คุยเขาไม่บาปเห็นหลายคนออกมาพูดถึงท่านยมไม่ทราบว่าท่านยมมีจริงไหมครับ ยมายมาบาอันนี้ก็เป็นเรื่องของไม่ทราบว่าเขาสมมติกันขึ้นมาหรือเปล่าว่าดวงวิญญาณเวลาจะไปนโลกนี้ต้องไปเจอโยมาบาลความรู้ธรรมะพอได้พิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความสงบถ้าเน้นปฏิบททัติทำสติปัฏฐานสี่วางอารมณ์สบายๆแบบนี้จะเป็นแนวปฏิบัติตรงเลยไหมครับ คือไม่ไม่ได้เป็นการวางอารมณ์เป็นการปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาแล้วปล่อยวางจิตทำอย่างไรถึงจะมีความก้าวหน้าในการทำารงานครับอาจารย์ครับขยนนันไงขยันทำแล้วก็เพิ่มตาความรู้เกี่ยวกับงานงานที่เราทำอยู่เพื่อทำให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงาน ดีขึ้นในผลงานมากขึ้นต่อไปมันก็จะพาให้เราเจริญก้าวหน้าไปเก็บผักมาจากป่าแล้วมาล้างจึงเจอว่ามีลูกหอยทากติดมาด้วยจึงหยิบออกมาใส่ถุงพลาสติกวางไว้ก่อนแล้วจะเอาไปปล่อยแต่มาดูอีกทีตายแล้วอย่างนี้บาปไหมครับถ้าเราไม่มีเจตนาก็ไม่บาป ทำบุญใส่บาตรที่ให้คนตายเขาจะได้รับไหมครับถ้าเขาเป็นเปรตเขาเขาก็จะได้รับถ้าเขามารอรับอยู่ก็แสดงว่าเขาเป็นเปรตถ้าเขาไม่มารอรับก็แสดงว่าเขาไม่ได้เป็นเปตการปฏิบัติอาจจะทำให้เราเครียดกับการรักษาศีลบ้างควรแก้อย่างไรครับบางทีก็คิดว่าท้อหรือว่าเราดีไม่พอครับ ก็ถ้าเรารักษามากเกินไปนะเกินกำลังของเราก็ลดจากห้าข้อหรือสี่ข้อก่อนก็ได้หรือสามข้อก่อนก็ได้ทำไปตามกำลังของเราคนเรามีกรรมหรือเปล่าครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับทุกคนที่มาเกิดนี้มีกรรมนะนี่นนะาเกิดกันกรรมก็คือการกระทำบุญบ้างบาปบ้า ง, างแล้วก็มีกิเลตตัณหา ที่พายเรามาเกิดกันเกิดสูเกิดตามก็เกิดอยู่จากบุญหรือบาป ท, ที่เราทํากันมาแน่ดีทําไมการเดินจงกรมนั่งสมาธิจึงไม่สามารถส่งกุศลในพ่อแม่ที่เสียชีวิตได้ครับแต่การใส่บาตจะอุทิศกุศลได้ครับเพราะผลมันไม่เกิดไงแต่ใส่บาตนี่มันผลเกิดขึ้นทันทีไง มีลูกชายถ้าเขาไม่ได้บวชพระให้พ่อแม่จะถือว่าลูกบาบไหมครับแต่เขาบวชเนนไปแล้วนะครับไม่บาบการภาวนาคือพูดคำว่าพุทโธพุทโธหายใจเข้าและออกนิ่งสงบแค่นี้คือได้บุญแล้วใช่ไหมครับถ้ายังไม่ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบก็ยังไม่ได้บุญถ้ามันได้ผลมันจะเกิดความมหัศจรรย์ใจ ความสงบที่ทําให้เรามีความสุขแบบที่เหนือกว่าความสุขจากการได้เงินเป็นแสนเป็นล้าน่ถึงจะเรียกว่าได้ได้บุญแล้วถ้าสง บ, บแบบรู้สึกเฉยเฉยไม่รู้สึกมีอะไรแตกประหลาดมหาศานใจแสดงว่ายังไม่ได้บุญถ้าไม่มีสัมมาสมาธิที่ถูกต้องยังไงก็ยังเดินนิพพสนาไม่ได้จริงใช่ไหมครับงานได้แต่จะไม่ได้ผล พิจารณาได้พิจารณาตายนะพิจารณาอริยสัจสีได้แต่ไม่สามารถปล่อยวางหรือหยุดความอยากได้ถ้าไม่มีสมาสมาทิการทำบุญต้องทำด้วยศรัทธาใช่ไหมครับถ้าทำแบบไม่ศรัทธาก็ไม่ได้บุญใช่ไหมครับได้ศรัทธาและไม่ศรัทธาถ้าเราทำไปเราก็ได้บุญเหมือนกัน ตอนมีภัยหรือไม่เหตุจนตัวนึกอะไรไม่ออกเลยนึกถึงพุทโธถี่ถีถ้าตายขนาดนั้นจะมีสิทธิ์ไปสุคติภูมิไหมครับมันไม่ได้อยู่ที่ตอนที่เราตายที่เป็นสาเหตุที่จะทำให้เราไปสุคตินะือไม่อยู่ที่บุญบาปที่เราได้ทำมาทํางชีวิตนี้ว่ามันส่วนไหนมีมีมากกว่ากันถ้าบุญมากกว่าบาปที่เราทาไว้มันก็จะพาเราไปสู่สุคติ ถ้าบาไม่มากกับบุญมันก็จะพาเราไปสู่ทุกขกติทำทานโดยให้อาหารสัตว์สามารถอุทิศบุญให้ผู้ล่งรับได้ไหมครับได้การใส่บารพระที่ใส่ประจำกับการใส่บารพระที่ไม่ได้เจาะจงแบบไหนจะได้บุญกว่ากันครับเท่ากันนะครับ เราซื้อของใช้ใหม่ๆดีๆให้แม่ใช้แต่แม่ไม่ใส่เลยหรือไม่ใช้เลยแม่กลับไปใช้ของเดิมๆเก่าๆบางครั้งเก็บไม่ได้จนเสียใช้ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเสียใจไม่พอใจแบบนี้เราได้บุญจากการให้และบาปที่เราโกดหรือไม่ครับได้บุญจากการให้และก็ได้บาปจากการที่เราไปโกดเพราะว่าบางทีคุณแม่เขาอาจจะมีนิสัยมั่งน้อยสนโดษไม่ไม่ชอบขอ ของหรูหราของพุ่มเฟยประหยัดมัธยัสถ์อันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีนะควรจะอนุโมทนาคนยาวเยี่ยงเนี่ยไม่ใช่ไปบังคับให้ท่านใช้ของแบบสุรุยสุร่ายใส่บาทกรวดน้ำแบบแห้งคนตายได้รับไหมครับได้ไม่ต้องใช้น้ำก็ได้ถ้าเราจัดของใส่บาทให้คุณพ่อจบ ทุกวันแนะนําไปใส่บาตรและกลับมาให้พ่อและตัวเรากวดน้ําแบบอย่างนี้ได้ไหมครับก็ขึ้นอยู่ว่าเป็นควาของใครเป็นความนิยมิของใครถ้าพ่อเป็นคนคิดเองว่าอยากจะใส่บาตรแล้วก็นำของพ่อไปซื้อของมาทําให้ใส่บาตรแล้วเพียงแต่ไปใส่บาตรให้กับท่านนี้ท่านก็ได้บุญพ่อก็จะได้บุญแต่ถ้าพ่อไม่ได้เสียไม่ได้คิดที่ว่าจะใส่บาตรไม่ได้เสียเงินจากการใส่บาตร เป็นรื่องของกรรนนู้นนีน่เรามันเป็นผูดได้บุญแต่พ่อไม่ได้บุญอะไรการช่วยพ่อแม่พี่น้องรอบข้างตัวเราก่อนจะช่วยสังคมแบบนี้ดีไหมครับก็สมควรนะมันเป็นมงคลสูตในมงคลสูตร น, นั้นก็สอนว่าให้เราดูแลครอบครัวก่อนดูแลพี่ญาติสนิทมิตรสหายก่อน การเล่นไสยศ า, ศาสตร์บริกรรมคาถาจนจิตรวมได้สมาธิคนพวกนี้ได้บุญจากการทําสมาธิด้วยไหมครับถ้าจิตรวมสงบมันก็ได้บุญทั้งนั้นหลไม่ว่าจะทําแบบไหนใช้การภาวนาตลอดวันเท่าที่สามารถทําได้จะได้ผลเหมือนกับการนั่งสมาธิไหมครับคือการใช้การภาวนาทั้งวันนีหมายถึงการเจริญสติ ถ้ามีสติเยอะเวลนานั่งสมาธิก็จะได้ผลเยอะทำท่านถ้าทำน้อยมีสติน้อยก็จะได้สมาธิน้อยจริงไหมครับที่ห้ามอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรแต่ให้แบ่งบุญให้เขาได้ส่วนในบุญด้วยครับไม่ใช่มันเป็นโหหันมากกว่ า, วา ม, มันก็ให้ โกโก้ครับที่มีส่วนผสมของน้ําตาลและนมด้วยแบบนี้นับเป็นยาหรืออาหารพระทานหลังเที่ยงได้ไหมครับถ้ามีนมก็ยังถือว่าเป็นอาหารอยู่ถ้าจะเป็นยาก็ต้องไม่มีนมเป็นส่วนผสมมีแต่น้ําตาลของโกโก้โยมรักษาสัตว์ที่เป็นแผลมีหนอนชอนชายอยู่ในแผลโยมเลยใส่ยาที่ทําให้หนอนเสียชีวิตมันเป็นขั้นตอนเพื่อจะได้ทําให้แผลหายเลยทําให้หนอนตาย โยมวางเจตนาที่เราจะรักษาสัตว์ไม่ได้วางเจตนาที่จะฆ่าโดยตรงอย่างนี้โยมวางจิตถูกไหมครับก็าบาปอยู่ดีถ้าไม่ทำให้เขาตายถ้าใจของเราติดค้างกับผู้ที่ตายไปแล้วจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ไหมครับต้องทำบุญก่อนถ้าทําบุญใส่บาปไรแลค่อยอุทิศบุญนั้นไป จะลดมานะทิฐิตนเองอย่างไรครับก็ทาตัวเราให้เป็นเหมือนปัฏิพีเป็นเหมือนแผ่นดินตามต้อยที่สุดเวลาคิดว่าเราเป็นคนรับใช้ทุกคนทุกคนก็แล้วกันทุกคนเป็นเจ้านายเราใส่บาตรให้คุณย่าซึ่งเสียชีวิตไปตั้งแต่เราเด็กตอนนี้ผ่านมาสี่สิบปีแล้วท่านยังจะได้รับบุญอยู่ไหมครับก็แล้วแต่ว่าท่านนี้ อยู่ในสภาพไหนถ้าท่านยังเป็นดวงวิญญาณที่รอรับบุญท่านก็ยังได้รับบุญอยู่การที่เราอนุโมทนาบุญกับคนอื่นๆบ่อยๆเกิดชาติหน้าฉันใดก็ต้องเจอกับคนพวกนี้อีกใช่ไหมครับไม่ใช่หรอพระอาจารย์ครับวันจันทร์ที่ห้าช่วงบ่ายสองเป็นวันหยุดเฉยๆพระอาจารย์เทศนากุฏิใช่ไหมครับเึง งหน้าเนี่ยในวันเทศวันอยู่ชดเชยเทศวันหยุดวันหยุดมันหยุดราชการมันหยุดวิศวิสาหกิจหยุดเทศทวันวันแรงงานตั้งแต่วันรายงานวันที่หนึ่งไปวันพุธมงคลวันจันทรมงคลวันชดเชยวันฉันรมงคลวันชดเชยวันนิสาขาบูชาดูหน้าไปเที่วันงสิบห้าวันอยู่ตารางแล้วือยขึ้นเงินึ้เดี้ยเข้า เดี๋ยวนี้ดีหน่อยเทศแค่ครึ่งชั่วโมงเลยไม่ต้องหาเรื่องมาพูดมากสามารถพูดเรื่องอะไรสั้นๆได้อได้พักเดินเพราะญาติเยอวก็ชอบบอกเออมันนั่งสมาธิมีคนสอนก็รา อ, าอยากจะนั่งสมาธิกันเขาฟังเทสกันเยอะอยู่นะแต่ไม่มีโอกาสได้นั่งสมาธิจริงๆก็เพียงแต่ได้นั่งสมาธิจากการฟังเทสเท่นันทีนี้ไม่มีเทสได้ฟังแล้วต้องทําเองนะต้องดูลมเองต้องพุทโทเอง อาจารย์ก็ไม่เหนื่อยมากเกินไปแล้วใช่ไหมครับเออไม่เหนื่อยสบายพูดแค่ครึ่งชั่วโมงแป๊บเรืยอก็เสร็จนะแตนเ้าก็นั่งต่อยอครึ่งชั่วโมงพักพักกายพักใจไปด้วยกันทั้งใจก็ไม่เหนื่อยใจก็ไม่เหนื่อยหลังจากทำบุญแล้วไม่ได้คิดออหรือพูดส่งบุญให้ใครบุญนั้นจะไปไหนครับก็เป็นของเราไปหมดนะ ซื้ออาหารเสื้อผ้าให้พ่อแม่กับใส่บาทพระสงฆ์แบบไหนได้บุญมากกว่ากันครับด้านกรรมเนเยมเขว่าให้กับพ่อแม่นี้ได้บุญมากกว่าเพราะพ่อแม่นี้เป็นเหมือนพระอราหารของ ล, ลูกต้องดูแลพ่อแม่ก่อนก่อนที่เราจะไปทำบุญกับพระสงฆ์เจ้าท่านสอนว่าให้ทำบุญกับพระในบ้านเราก่อนคือพ่อแม่นี้เป็นพระของเรา ตอนที่จะไปทําบุญแต่มีอุปสรรคแต่เราก็ตั้งใจที่จะไปอุปสรรคที่มาขัดขวางหมายถึงอะไรครับก็เป็นได้หลายอย่างเรื่องเหตุสุนวิสัยฝนตกน้าท่วมนี้มันก็เป็นเรื่องของเหตุสุนวิสัยแล้วเกิดความตื่นตกขึ้นมากิเลสเกิดขึ้นมาเสียดายเงินขึ้นมานี่ก็เป็นเรื่องของกิเลสไปเรื่องของความเกรียดข้ามอันนี้ก็เป็นกิเลสรูปแบบหนึ่งพอถึงเวลาจะไปทําตอนตอนคิดจะคิดดีไปทำพอถึงเวลาจำเอา ไปทำจริงๆต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อรักก็เลยไม่อยากทํขึ้นมามันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันเมื่อพบหน้ากับบุคคลที่รักสัตว์ที่รักหรือสิ่งของที่รักต่างๆแล้วกําหนดในใจว่าเราต้องจากกันจากนี้ก็เป็นมรณะวุสตสีไม่ครับได้เป็นการเจริญปัญญาครับถ้าเราเอาเงินแม่ที่ให้ไปเล่นหุ้นแต่ไม่บอกแม่เลย ว่าเอาเงินแม่ไปทาอะไรเพราะแม่บอกว่าให้ไปแล้วแต่แม่ชอบถามว่าเก็บเงินไว้นะอย่าใช้ซี้สวยเราไม่ตอบว่าไปใช้อะไรปิดบังแบบนี้เราบาปไหมที่ไม่ได้บอกความจริงครับถ้าเราไม่ได้พูดก็ไม่บาปนะเราเฉยๆไปเราไม่ได้พูดอะไรคนที่เบียดเบียนเวลาการทำงานของราชการแล้วมาทำบุญจะได้บุญไหมครับ ก็ได้ทั้งสองอย่างได้ได้การได้บาปจากการไปเบียดเบียนเวลาของการทำงานแล้วก็ได้บุญจากการทำบุญมันเป็นสองบัญชีกันบัญชีบาปก็ได้บัญชีบุญก็ได้ได้ทั้งสองอย่างซื้อกบจากตลาดมาปล่อยแม่ค้าเอาเชือกมัดสองตัวติดกันยังไม่ทันแก้แล้วมันโดดลงบ่อหายไปเลยรู้สึกแย่ครับ แต่ว่าได้บุญไหมครับอาจารย์ครับได้เพราะเราเรามีเจตนาแล้วเราก็ได้ทำมาแล้วนี่มันจะไ ป, ไปเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของบุญกรรมของมันต่อไปซื้อยามาใส่ในบาตรพระได้ไหมครับได้ใส่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่นิยมใส่ไปในบาตรแต่เขากจะใส่ใส่เป็นซองใส่เป็นถุงแล้วว่าแล้วแต่พระท่านจะรับอย่างไรก็แล้วแต่ บางทีท่านก็จะให้ลูกศิษย์ถือไปให้แต่ของในบ้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกอาหารมากกว่าฝากเงินเพื่อนไปทำบุญได้บุญไหมครับได้สวดมนต์ก่อนนอนและแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้พ่อแม่เจ้ากรรมในเวรอย่างนี้เขาได้รับไหมครับไม่ได้ไม่ได้ต้องกิดจากการกระทำก็ถึงจะได้ ใช้ชีวิตทางโลกศีลข้อสามระวังค่อนข้างยากแบบนี้เราจะแก้ไข ย, ยังไงครับก็อย่าแต่างงานเลยอยู่เป็นโสดเลยพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวหาอาหารให้ท่านทานคิดเองว่าได้บุญเหมือนเราไปใส่บาตรอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถ้าเราลงาเราจ่ายค่าอาหารล้วก็เหมือนกับใส่บาตร การถวายเพลย์ทำสังกทานพบหนึ่งปีให้คุณแม่ท่านได้รับบุญไหมครับก็แล้วแต่สถานภาพของดวงวิญญาณของท่านถ้าท่านอยู่ในสถานภาพที่รอรับบุญท่านก็ได้รับบุญแต่ถ้าท่านไม่ได้อยู่ในสถานภาพนั้นท่านจะไม่ได้รับสวดมนต์แล้วแผ่เมตตาแต่ว่าฝันร้ายบ่อยครับจนส้นุ้งตื่นบางทีฝันเห็นผีเป็นเพราะอะไรครับและจะแก้ไขอย่างไรครับ ที่ฝันนายเพราะเราไปทําบาปมาการแผ่เมตตาด้วยการสวดนี้ไม่ได้เป็นการกระทําบุญแต่อย่างได้ถ้าอยากจะฝันดีก็พยายามทําทําเมตตาคือทําความดีด้วยการทําด้วยความเมตตาแผ่เมตตาด้วยการกระทําง่ายๆไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดเช่นช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้ให้คนทําให้คนนั้นคนนี้นก็มีความสุข หรือไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อให้กับผู้ให้อภัยเวลาที่เกิดปัญหากันอย่างนี้นะการมันการแผ่เมตตาด้วยการกระทําถ้ามีการกระทํางด้วยการแผ่เมตตาเวลาเรานอนต่ำเราก็จะฝันดีไม่ฝันร้ายการถวายเพลิสังฆทานกับใส่บาตรอันไหนจะส่งบุญถึงท่านได้ครับได้ทั้งสองอย่าง คนอื่นทําบุญแล้วเราอนุโมทนาบุญอย่างนี้เราได้บุญไหมครับได้บุญคนละ อ, อย่างนะไม่ได้บุญจากการเสียสละเงินทองแต่ได้เงินจากการชื่นชมยินดีกับการทําความดีของผู้อื่นขอสอบถามวิธีสร้างจิตผู้รู้ครับไม่ต้องสร้างจิตผู้รู้มันมีอยู่แล้วเองแต่ว่าทําให้มันมีสติท่านเองอันนี้มันไม่มีสติมันลอยไปลอยมาแล้วก็ ถูกอำนาจของสิ่งที่หนึ่งไปให้ไปทำบาปซึ่ส่วนใหญ่องกิเลสแล้วต้องฝึกสติให้จิตเมีที่เดียวไม่ให้ไหลไปตามกระแสของกิเลสตัณหาครบหนึ่งร้อยวันมาที่เจ็ดเดือนหกนะครับของพ่อแต่เราไม่สะดวกวันนั้นจะเลยได้กี่วันครับและสามารถทำในวันพระได้ไหมครับทาวันไหนกัน ไม่ต้องจําเป็นจะต้องต้องกำลังครบร้อยอันนี้เป็นการกําหนามมดขึ้นมาเองเป็นการสมมติขึ้นมาเองการดำเนินทำได้ทุกเวลาใส่บัตรพระด้วยเงินเพราะหาอาหารใส่ไม่ได้เท่ากับได้ใส่อาหารไหมครับได้ไปตักบาตรให้บรรพบรุษตอนเขาได้รับนี่เขาจะรู้ไหมครับว่าเราเป็นคนให้ครับกะแล้วแต่ว่าเข า, เ ร, ารับบุญหรือไม่ การปล่อยปลาปล่อยนกอย่างนี้ได้บุญแบบไหนครับอาจารย์ก็ได้เหมือนเป็นการช่วยชีวิตขอเนคนโสดมีบุญหรือมีบ า, มบาปมากกว่ากันครับไม่ไม่ได้อยู่ที่โสดก็ไม่โสดอยู่ที่มีสุขกรือมีทุกข์มากกว่ากันถ้ามีทุกข์มากก็มีบาปมากถ้ามีสุข ม, ม, ม, ม, มากก็มีบุญมาก มีคนหนึ่งพูดกับเราว่าคนจนมีหนึ่งร้อยทำบุญสิบได้มากกว่าคนรวยมีแสนบาทจริงไหมครับอาจารย์อย่างทีพูดนะว่าการทำบุญนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขของเงินที่แต่ละคนทําแต่อยู่ที่ทัพอยู่ที่สัดส่วนของทรัพย์สินที่เรามีอยู่ว่าเราทําร้อยละเท่าไหร่ถ้าเราทําร้อยละสิบสมมุติวนะ่าคนรวยมีแสนหนึ่งถ้าเขาทาร้อยละสิบเขาก็ต้องทำหมือน ถ้าคนจนมีแค่ร้อยเดียวทำร้อยละสิบเขาทำแค่สิบบาทใช่ไหมร้ยสิบก็สิบบาทคนก็ได้บุญเท่ากันคนที่ทํางินทำบเญหมื่นบาทกับคนที่ทําบุญสิบาทนี่ได้บุญเท่ากันความรู้สึกในใจเท่ากันคือความเห็นใจที่ได้อยากการเสียสละเงินที่มันเท่ากันยังไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขของตัวตัวตัวบุญตัวกันที่เราไว้จักไป อย่ที่สส่วนของทรัพย์สินที่เราเบริจากไปว่าร้อยร้อยละเท่าไหร่ของทรัพย์สินที่เรามีอยู่ถ้าเป็นหานเศรษฐีอย่างมิเกนนี่ต้องทําเยอะหน่อยคร้อยละสิบเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูเรามาเราไมไ่เลี้ยงดูพ่อแม่เช่นกันต่างคนต่างอยู่ต่างใช้ชีวิตแบบนี้เรียกว่ามีกรรมต่อกันไหมครับไม่มีความอดันอยู่ ถ้าเกิดคร้านในการสวดมนต์และนั่งสมาธิจากที่เคยทําทุกวันมีวิธีคิดให้อยากกลับมาขยันเหมือนเดิมไหมครับอาจารย์ก็เหมือนกับการกินข้าวการกระทาปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันให้อาหารกับจิตใจถ้าทําแล้วจิตใจก็จะไม่หิวโหยจิตใจก็จะเย็นจะสงบจะสบายแต่ถ้าไม่ทําต่อไปจิตใจก็จะฟุ้งซ่านจิตใจก็จะเครียดให้มองกันไหมว่นการให้อาหาร ถ้าเราไม่กินข้าวสักสองสามมื้อนี่เราจะรู้สึกอย่างไรซื้อปลามาปล่อยอยากให้แม่ได้บุญด้วยเลยขายปลาให้แม่หนึ่งบาทแล้วเอาปลานั้นไปปล่อยแม่ได้บุญด้วยไหมครับมันเป็นการเล่นละครได้มากกว่าการจะได้บุญนี้ต้องเกิดจากศรัทธาของแม่ก่อนว่าแม่อยากจะปล่อยปลาแล้วก็อาจจะฟังกันเราให้ช่วยไปช่วซื้อปลามาปล่อยให้หน่อย ให้ท่านหนึงจะได้บุญแต่อยู่ดีๆเรามายัดเยียดให้ท่านไปนะ้าบอกว่าอาขายขายปลาให้แม่ ห, หนึ่งบาทหนึ่งบาทแล้วแม่ไปปล่อยมันรู้สึกว่ามันมันไม่ได้เป็นการกระทําแบบเป็นธรรมชาติเป็นการเล่นละครอย่างมากกว่าการบริจาคเลือดมีอานิสองส์อย่างไรครับอาจารย์ก็เหมือนกับบริจาคสิ่งของอย่างอื่นให้อาหารเลือดก็เป็นเหมือนอาหารอย่างหนึ่งของร่างกาย ศีลข้อสี่ครับวาจาไม่พูดโกหกแต่บางทีเราพูดแล้วคนอื่นเสียใจไม่พอใจแบบนี้เราผิดศีลไหมครับไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าเราพูดจริงหรือไม่พูดจริงพูดไปจริงแล้วเขาดีใจมันก็มันก็นกยกังบาปอยู่ดีมันไม่อยู่ที่ว่าพูดให้เขาเสียใจหรือไม่เสียใจอยู่ที่พวกเราพูดจริงหรือไม่จริงนะมีคําถามเกี่ยวกับการบริจาคร่างกายอีกแล้วครับอาจารย์ว่าได้อันนี้ส่งไหมครับ ถ้าบริจาคถ้าบริจาคตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เจตนสละบริจากตาไปข้างหนึ่งบริจาคไตไปข้างหนึ่งเพราะเรารู้ไงว่าเราได้เสียสละสิ่งที่มีคุณค่าที่ที่เรารักเอาสงวนเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นไหเห็นก็ได้รับประโยชน์สุขแล้วก็เกิดความสุขใจขึ้นมานี่แหละคือบุญแต่ที่ว่าถ้าเราให้ตอนที่เราตายไปแล้วเราไม่รู้แล้วว่าเขาเออกไปให้ใครให้หรือไม่อย่างไรเราจะไม่ได้บุญเลยถึงแม้เราจะบริจากร่างกายไป แล้วก็ไปทำตามที่เราบอยจากแต่เราไม่รู้ไงพอเราไม่รู้เราก็ลังจะไม่ได้บุญจากการทําบุญของเราเก็บเงินได้ครับหันซ้ายหันขวาไม่มีเจ้าของแล้วเก็บเป็นของตัวเองแบบนี้บาปไหมครับก็ถือว่าบาปนะเป็นลักขโมยเงินไม่ใช่ของเราเป็นของคนอื่นทางที่ดีก็วางไว้ไว้ไว้ที่เหนือย่าไปสนใจทำไมเราต้องเก็บไว้เป็นของเราด้วย แต่อย่างอาจจะอาจจะใช้ตามภาษาฝรั่งว่าไฟเนอร์คิปอร์เนี่ยคนไหนคนไหนเจอคนนั้นก็เก็บไว้เป็นของของตนไปอต่ น, นี้มันไม่ใช่หลักธรรมหลักธรรมที่แท้จริงของมันต้องมีเจ้าของเงินต้องมีเจ้าของมนองอันจะขออาจจะทําตกหลน่นแล้วก็ไม่รู้ตัวครับก็มีข่าวอยู่เรื่อยใช่ไหมที่บางทีคนเบิเ ง, งินในแท็กซี่แล้วแท็กซี่บคนก็เก็บไว้เลยบางคนก็ เอาไปคืนเจ้าของคนที่คืนเจ้าของเจ้าของก็ทําให้มีความสุขทําให้คนที่เงินหายไปนั้นนี่มีความสุขแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นของใครแล้วก็ปั่นวังว่าตรง น, นั้นแ่ะดีที่สุดเผื่อข้อเดี๋ยวเขาอาจจะเดินกลับมาหาก็ได้ครับคนที่อยู่ต่างศาสนานี่จะตกนรกขึ้นสวรรค์เหมือนพุดไหมครับเหมือนกันสวรรค์นรกนี่ไม่แยกขึ้นอยู่กับศาสนาอยู่ที่การกระทํา อาจารย์ครับแล้วเวลามาเกิดใหม่นี้เราจะชินไหมครับอย่างเช่นเราเป็นพุทธเราก็จะมีโอกาสเป็นพุทธเหมือนเดิมนี้ไหมครับอาจารย์ครับมันก็จะมันก็จะชินเี่ยเพราะว่าเมื่อมั น, มนการกระทำของเรามันก็มาจากการที่เราได้มาจากพุทธพอเรามาเจอพุทธเ็กเราจะรู้สึกว่ามันเข้ากันได้ครับการกระทําของเราอย่างฝรั่งบางคนทําไมก็ก็จะ กันในศาสนาอื่นแต่พอเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาเขาก็กลับมาบวชเป็นพระในพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเพาะอาดีตเขาอาจจะเคยเป็นพระนะเคยศึกษาเคยเป็นภู ม, มิปาก่อนครับและความโกรธที่ตีขึ้นมาในใจอย่างไรดีครับความโกรธจะต้องรับด้วยการให้อภัยเวลาใครเขาทาให้เราโกรธเราก็ให้อภัยเขาอีกวิธีหนึงก็คือ ถ้าไม่อยากให้โกรธนะก็อย่าไปมีความอยากอย่าไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากคนนั้นคนนี้แล้วเราก็จะไม่โกรธเขาที่เราไปโกรธเขาเพราะว่าเราอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำนี้พอเขาไม่ทำตามที่เราต้องการเราก็เลยโกรธเขาขึ้นมาเคยโกรธโมโหให้แม่ตอนที่แม่ยังอยู่พระบน่นอยากเราลูกหลานทำดีคิดดีพอแม่จากไปแล้ว กลับโทษตัวเองตอนนั้นอย่างนี้เป็นบาปไหมครับอาจารย์ เ, เป็นบาปยังไงไม่ทราบไม่ถึงไม่ท้อให้โ ก, ก, กรธฉันโกรธแม่โกรธแม่แ ต, แต่แต่ถ้าไม่ไปทําร้ายแม่ก็ยังไม่ยังไม่เป็นบาปถ้ายังไม่มีการกระทําด้วยการพูดยังไม่ถือว่าเป็นบาปแต่ถ้าโกรธแล้วไปพูดไม่ดีเนีย้ยบาป้วไปด่าพ่อด่าแม่ไปว่าพ่อว่าแม่เงี้ยบาป การทําบุญใส่บาตรทุกเช้าและอุทิศบุญให้พ่อเสียไปเก้าสิบวันก่อนแล้วพ่อยังได้รับไหมครับอย่างที่เคยพูดมันอยู่ที่สถานภาพของดวงวิญญาณเขาว่าเขารอรับอยู่หรือได้บุญไหมครับถ้าเราอนุโมทนาบุญในการปล่อยปลาในในติ๊กต็อกครับก็ได้บุญในส่วนที่เป็นอนุอนอนุโมทนาบุญเนีย่ยคือไม่ได้บุญจากการปล่อยปลา เป็นงแต่ได้บุญจากการมีความชื่นชมยินดีกับการทําความดีของผู้เป็นเหมือกองเชียร์แต่ไม่ได้รางวัลเหมือนกับนักเล่นนักเล่นเตะเข้าโกลนี่เขาได้รางวัลเนียแต่คนดูก็ดีใจไปกับคนนักเตะแต่ไม่ได้เงินรางวัลเหมือนกับนักเตะได้คนรละยางเป็นบุญกาละย่างเป็นเก็บเงินได้ตามถนนสิบาทครับเลยโอนไปทําบุญทั้งหมดเลยครับบาปไหมก็ทั้งบาปทั้งบุญนะ ควางเงินของคนอื่นไปทำาไม่ใช่เป็นงินของเรานะครับเราซั์สินของผู้คนที่เขาไม่ได้อนุญาตไปไปใช้ประโยชน์ไปทำบุญการติดดีการหลงดีเป็นเช่นไรครับอาจารย์ไม่สรามอันะนงถูกถ้าเรามีเจตนาจะบริจาคร่างกายแต่ทาง ทางญาติไม่ยอมผิดกับเจตนาลมเราเรายังดื้อดันจะาริจาคแต่ญาติก็ไม่ยอมเลยทะเลาะกันแบบนี้เราได้บุญเรามีเจตนาที่เราจะสละร่างกายแต่ญาติไม่ทําแต่จ ะ, ะคือการทำบุญ น, นี่มันก็ดีเป็นเรื่องของเราผูตาคันจริงแต่เมื่อเราต้องอาศัยคนอื่นทําให้มันสําเร็จเนี่ยเราก็ต้องก็ต้องดูว่าเขายินดีไหม ถ้าก็ไม่ยินดีเราทําไม่ได้เราก็อย่าไปทำก็แล้วกันเล่นการพ น, นันไม่ผิดศีลไม่บาปใช่ไหมครับแต่เป็นอบายอย่างมุ่งมันใกล้ใกล้กใกล้จะทําบาปเพราะคนเล่นการพนันไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องไปไปหาเงินโดยวิธีทําบาปเพราะเล่นนับมันเสียมันแต่ยังอยากเล่นต่อก็เลยต้องไปไปขโมยไปป้นไปยืมเงินมาเล่นการพนันต่อ การทำงานให้มีประสิทธิภาพและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เป็นการทำบุญไหมครับก็ถือว่าเป็นการทำความดีได้เหมือนกันวันพระไม่สะดวกไปใส่บาตรเราต้องไปทำงานเราสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านเปิดช่อง y o u ูทูอรับพรกวดน้ำของพระอาจารย์ต่างๆเราได้บุญหรือญาติที่ร่วงรับจะได้ผลบุญด้วยไหมครับบุญก็จากการกระทำของเรา มูลที่จะได้ได้ง่ายก็คือการทำมบริจาคเงินให้กับวัดกับโรงพยาบาลกับโรงเรียนให้กับใครก็ได้อันนี้เราสามารถมุทิตบุญอันนี้ได้แต่การสวดมนต์นี่ไม่ยังไม่บุญยังไม่เกิดคุณหมอให้เราเป็นคนถอดท่อซิเจนให้พ่อครับอย่างนี้เราถือว่าเป็นปิตุขาศไหมครับไม่ ทำเพจทำมา้เผยแพร่พระธรรมคําคสอนได้บุญไหมครับได้เป็นการให้ธรรมะอย่างถ้าทําผิดศีลเช่นไม่จ่ายภาษีแล้วมีความสุขใจอย่างนี้ถือว่าบาปไหมครับมันไม่ดีที่สุขใจแล้วไม่สุขใจดีที่การกระทำบางคนทําทําากจนติดเป็นนิสัยถ้าไม่มทําบากแล้วไม่มีความสุขใจ เราให้อภัยคนที่เราเคยโกรธแล้วแต่พอเห็นหน้าหรือได้ยินชื่อจะรีบพูดพุดโทโธพุโทโธในใจเพื่อให้ลืมหน้าเขาถูกต้องไหมครับหรือควรทําแบบไหนดีครับก็ทํำท่าที่เราทําได้ถ้ า, ายังมีความรู้สึกอยู่แสดงว่าเรายังไม่ได้ให้อภัยเขาอย่างเต็มที่คนเราตายแล้วจะเกิดใหม่ทันทีเลยไหมครับแล้วชีวิตหลังความตายมีจริงไหมครับพระอาจารย์ ถ้าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ยังอาจจะไม่เกิดทันทีนะอาจจะต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์การทะเลาะกับแม่สามีบาบไหมครับว่าเขาก็ไม่ชอบเราครับการทะเลาะวิวาสกันนี่เป็นการกระทําที่ไม่ดีแต่รีว่าจะว่าบาปนรือไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันเป็นการกระทําที่ไม่ควรที่กระทํากันสามีชอบ ตกปลาครับแล้วก็ปล่อยกลับไปครับอย่างนี้เป็นบาปไหมครับก็ไม่บาปเพราะเรายังไม่ได้ทำลายเขาอาจจะบาปนิดนหน่อยที่ทำให้ปลาเจ็บจากจากเบ็ดที่เราไปทำให้การไปเปิดบ่อนคาสิโนอย่างนี้ถือเป็นบาปไหมครับอาจารย์ถ้าเป็นการส่งเส ร, รมิมการอบรายมุกอย่างหนึ่งสงเสารไม่อนนี้ไปไปเสพอบายมุกเรื่งการพ น, นันนะไม่ใช่ก็เป็เพราะอาจจะต้อง เงินทองไม่พอใช้เขาก็ต้องไปหาวิธีกระทาหาเงินได้วิธีกร ะ, ะทาบาปอย่างใดอย่างพระทําผิดกับคารวะทําผิดอันนี้มีบาปเท่ากันไหมครับอาจารย์เท่ากันเท่ากันบาปไดีเที่ยเป็นพ่าหรือเป็นคารวนคําคถามหมดพอดีเลยครับอาจารย์เดินเป็นนาทีสุดท้ายครับอาจารย์ครับวันนี้อาจารย์ตอบได้หมดเกลี้ยงเลยครับ ก็ดีเลยเดี๋ยงั้นที่ผมขอสรุปตัวเลขเลยนะครับอาจารย์ครับ อ, อโอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้ในเฟซ435ครับในยู592ในคลับ8ติ๊กตอก567วันนี้มีเพื่อนเพื่อนฟังทมอยู่ด้วยกัน 1,602 ท่านนะครับอ่อานคำถามแรก20นาฬิกา12นาทีครับ อาจารย์ตอไปหนึ่งร้อยหกสิบสองคำถามครับผมมีทุกท่านได้เข้ามาร่วมฟังกันรู้ว่าคงจะได้รับประโยชน์แนะนำไปจะเกิดประโยชน์ต่อจิตใจต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาการสนาำนัญธรรมก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจองนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ สาธุครับอ่อขอบลาคุณหมอและผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุกัดณล้องก็คงจะได้พบกันอย่างเช่นเคยในอาทิตย์นหน้าขอจเจริญพรกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ